เจริญพรท่านสาธุรชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีงภาวนาเช่นเคยมีเด็กขาประจำที่ยังไม่ยอมนั่งสมาธิมานั่งรออยู่สมาชิกครังนี้ต้องนั่งสมาธิกันทุกคนใช่ไม่นะคุณ เปิดไม่ได้ยังกล่าวนามาส ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พูดจีลูกอบอกให้น้อยเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์นั่งยังไงนั่งยังไงบอกพระอาจารย์นีดนั่งสมาธินั่งยังไงพระอาจารย์ถามไม่ใช่ให้ทําให้ดูลูกอ๋อทําอย่างนี้พระอาจารย์มองไม่เห็นเลยใ น, ในใจว่างไง พุทโธของพระอาจารย์เออนั่งได้นานเท่าไหร่ครับกี่นาทีนนนหนึ่งนาทีกี่นาทีเมื่อวานลกนั่งกี่นาทีสามนาทีใช่ป่ะสามนาทีครับพระอาจารย์ใน่าใจนะเก่งนะถ้านั่งได้สามนาทีลืมตาถามทุกครึ่งนาทีเลยค่ะครบหรือยังเออก็อลองทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยนะ วันนี้ม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เออดีค่ถ้าไม่มีคําถามก็พยายามนั่งสมาธินะตอนนั้นสักครั้เขาให้พระฉันคาดตอนแข็งแล้วนะคระโอเคขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์หายดีแล้วนะคะเสียงกลับมาเหมืนเดิมแล้วมันไม่มีอะไรดีหรอกทีวิ่งมันมีแต่ทุกข์เลยค่ะอยู่กับมันไปค่ะ ให้พู้อาวุโสแข็งแรงนะคะอยู่สอนไปนานๆนะเจ้าคะดีไหมเจ้าจะก่เจ้่จักดีไหมวันนี้ผไม่ไม่ไม่ชนลิงเท่าไหร่ค่ะชนลิงเหรออาตอนนี้ก่อนนะมีอะไรอย่ารผูอาไม่มีค่ะฟังค่ะเจ้าแม่ก๊าดที่ไม่แม่ไหมไม่ไม่ไม่ด้แข็งจนใช่ไหม กำนัลักการพราจารย์โอเควันดีจ้ะปิดไมค์ได้แนละ้วคนหนึ่งก็จะได้พูดได้นักการพราจนาโอเคอ่าแไม่กระจายที่มราจนาสการพราจารย์ครับอ่าวันนี้มีอะไรวันนี้ม า, มาสนุกบ้านแล้วก็อยากจะถามคําถามด้วยครับอ่าถามก่อนเลยอ่ะครับก็คือ จะมัดนั่งสมาธิสาสิบห้านาทีครับใช้พุทโธพุทโธครับแต่ตอนหน้าครับมันก็จะรู้สึกคันคันครับซึ่งบางทีก็ท่องพุทโธเอาชนะความคันได้ครับแต่บางทีก็อดใจไม่ไหวแล้วก็ไปไปเกาครับก็คือต้องแก้ยังไงครับพรอาจารย์ก็อย่าไปเกาเลยแล้พยายามพยายามอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงอาการคัน แล้วโทรม่อยู่ก็ลองท่องอาการ32แทนก็ได้ครเออมันจะได้ลืมเรื่องอาการคันไปพอเราอยู่กับอาการ32เนี่ยมันก็ลืมได้พอลืมแล้วมันก็ไม่คันครับคือมันคันแต่เราก็ไม่เราก็ไม่อยากเกาถ้าไม่อยากเกาเราก็อยู่กับมันได้ครับ้นเวลาเวลามันคันแล้วมันอยากจะากเาเนี่ยตรออาจจะต้องใช้อาการ32มาช่วย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื่อในกระดูกเนีย่ยท้องกลับไปกลับมาจนกว่ามันจะเฉยๆได้แล้วค่คอยกลับมาพูดโทต่อหรือดูลมหายใจต่อก็ได้แล้วจัที่มีอะไรไหมจัดที่คันไหมทุกคนัที่นั่งสมาธิอะครับมันหลับอะครับ แก่จริงัรายีไงเรบคอพับเลยเลยเราเราแบบนอนหลับเลยครับลงลงไปนอนเลยเลยนั่งหลับครับนั่งหลับเลยการนี้ต้องต้องท่องอาการสามสิบสองไปผมขนเล็ดฟันพูดโท่คำเดีมันอาจจะมันอาจจะชินนะมันอาจจะทำให้หลับได้ เราลองเอาผมขวนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดดเอาไปเราจใช้สติมากขึ้นนี่ไม่ลองทดลองดูนะครับอแล้วมาสมกันบ้านวันนี้มีอะไรบ้างครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายา คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสิยไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจำไว้ให้ดีนะวันนี้เป็นข้อสอบที่เราจะต้องพยายามทําให้ผ่านให้ได้วิธีผ่านข้อสอบก็คือไม่ทุกข์กับมันเฉยๆมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราครับแล้วร่างกายของเราเป็อะไรบ้าง มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจปับท้องผืดาตปอดไ ส, ส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่ในสมองศีษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนือ้อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีแย่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ ปอดไตหืดตัดหัวใจม้ามเยีย่อนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหั่มฟันเล็บผลนผมไม่ไงั้นร่างกายสวยงามไหมไม่สวยครับอชอบไห ม, ไมใช่ครับ <laughs> ยังชอบอยู่เนี่ยถ้าชอบก็แสดงว่ายังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย ต้องพยายามนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆครับโอเคไม่นีอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเคองั้นก็ไปที่น้องพีต่อนะปราบขอบ พ, พระคุณพระอาจารย์ครับน้องพีกาบนับราช ก, การพระอาจารย์เป็นไงถูกบังคับให้เข้ามาแล้วแบบนี้แล้ว อ, อยากจะเข้ามา หอง น, นอนนะคะ้งนอนนะฮ่าาเล่นเกมนี่หูวพึงขึ้นวนะัอะไรนะก็มีง่วงเหมือนกันค่ะเวลาเล่นเกมค่ะเอเล่นมากจนมันง่วงใช่แต่แต่ว่าง่วงน้อยกว่าครับมันจะง่วงมันจะง่วงยากค่ะเวลาเล่นเกมอะค่ะมันจะง่วงตอนที่มันเล่นจนเบื่อแล้วแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ง่วงเลยนะ ค่ะอืมเป็นยังไงมีอะไรมาเล่าให้ฟังไหมหนอน้องพีได้นั่งสมาธิทุกคืนครับหนาทีวัน น, นี้น้องได้ตั้งแต่วันนี้ได้สิบนาทีค่ะนอ่สวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาประมาณยี่สิบนาทีค่ะอ๋อดีมากทำทำทุกวันนะค่ะอือ แล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานในความสุขค่ะเจ้าค่ะว่าวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อเทศเรื่องโปรมิหารสีดีมากเลยเจ้าคะ่ะมันมันมันพอดีว่ามันอยู่ในใจหนูพอดีกับเรื่องราวที่หลวงพ่อเทศนะคะก็ <c oughs> ดีมากๆเลยแต่ว่าหนูขาดแค่ตัวเดียวขายแค่อเคุอเบกขาอุเบกขานี่ยากเลยต้องโกสเติมย่างสมาธิใช่ค่ะคือคือบางทีเรารู้อะไรมาในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วเราไม่สามารถช่วยใครหรือบอกอะไรใครได้เนี่ยหูมันมันอึดอัดนะคะหลวงพ่ อ, อแล้วมันก็กลายเป็นว่าจะ คือมันจะปล่อยอุเบกขามันก็ทําได้แต่มันมีความรู้สึกว่าเรารู้อยู่ในใจแต่บางทีแบบมันทําไม่ได้ก็ทํำให้รู้สึกแบบเครียดเป็นทุกข์กังวลเหมือนกันค่ะก็ยกให้เป็นกฎแห่งกรรมไปเป็นเรื่องของกรรมไปค่ะใครทํากรรมอนไรไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปค่ะก็ได้ย<ร>ินเราไม่ผิดดอกเราไม่ผิดดอกถ้าเราไม่ได้ไปช่วยเหลือเราไม่ช่วยเหลือก็ไม่ได้ค่ะ ถึอเราพยายามแล้วแล้วก็ช่วยไม่ได้บางค น, นบอกเ<อ>ขาละอะไรเขาละแต่เขาก็ไม่ฟังมันจะให้ทำง่ายๆไปทุกข์กับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหลวงพ่อพอได้ฟังหลวงพ่อเทศแล้วมันก็ทําให้หนูแบบว่าใจเบาแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะเออบางที่เราอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้นอยากจะให้เขาได้ดีแต่เขาไม่เอาเราจะทำํำย่าไง ใช่ค่ะแม้แต่<ช>ลูกเรานะลูกเราบางทีเขาก็ไม่เอาตามที่เราสอนตอนเด็กตามที่เราบอกจริงค่ะไปโกดเขาก็มันก็เป็นเรื่องเวลาของไม่ไท้ค่ะจริงค่ะไปโกดเขาขายความเมตตาอนะ่าได้ค่ะถ้ามีความเมตตาก็ต้องให้อภยอัยเขาอย่าไปถือโทษโกดจนเขาบางทีก็แบบอย่างน้องพียอย่างเนี้ยค่ะไม่ทําตามหนูก็ดุนะคะแต่ในใจแล้วแบบ คือก็รักลูกนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องดุดูได้ดูเพื่อเป็นการเตือนเป็นการสอนได้ค่ะก็จะเขาก็จะคิดว่ามาม่มาไม่รักป๊าป๊าไม่รักพี่สันไม่รักอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใชย่ยิ่งรักอ่ะยิ่งยิ่งด่านิ่งแสดงยิ่งรักมากถ้าถ้าไม่รักไม่ด่าให้เซลเสียมลายเนาะจริงค่ะเข้าใจไหมลูก บัลลังก์ที่สะสมมานี่หายหมดเลยม่ามัส่วนนั่งสมาธิโดุทีเดียวนี่หายหมดเลยกระเจิดกระเจิงหมดเลยสตตะตรงสติค่ะค่ะหลวงพ่อไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปนะน้องพีย น, นั่งนั่งทุกคืนนะถ้าเป็นสมาธิครังนี้ต้องนั่งสมาธิได้เนะอโอเค กลับมาเทกาลค่ะขผลลูกพ่อท่าแข่งแข็งแรงเจ้าค่ะเอยไปที่น้องทีมต่อน้องทีมหลบคุณแม่ฝนกลับมัเทกาลค่ะพระอาจารย์ยังไงน้องทีมนั่งสมาธิทุกคืนหรือเปล่าเกือบพยายามนั่งให้ได้ทุกคืนครับเนียยังไม่ยังเป็นศึกสองอาทิตย์เจ้าค่ะแค่ต่อเขาที่มีกิจอย่างอื่นนะว้าฮึ่ม ไม่ไมนี่มีเงิหรอกค่ะพาจานย์ก็คุณพ่อกับมาทีไรนะก็เหมือนแบบเป็นข้ออ้างก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งอะค่ะก็เรียกให้นั่งก็แบบไปเลยเฉยแฉะไปนะอืะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ฟ้องคอ่ ะ, ะเราขาดทุนนะทุกครั้งที่เราไม่ได้นั่งนะเวลานั่งเรากําไรนะเราได้สติเราได้ความสงบได้ความสุข พอเราไม่แน่นั่งเรา็จะไม่ได้ความสงบไม่ได้ความสุขพราจะขาดทุนมันไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยใจเราจะไม่มีไม่มีความสุขแั้วนั่งกายถ้าไม่ได้กินข้าวร่างกายก็ไม่มีความสุขร่างกายก็จะหิวเห็นต้องพยายามคิดตอนว่า เ, าเป็นการให้อาหารกับใจการนั่งสมาธิให้ความสุขกับใจ นะไม่มีใครทําให้เราได้นะพ่อกทำใม่เราไม่ได้แม่ก็ทําให้เราไม่ได้ไไดอันนี้ของกายของมันมันกินข้าวคุณแม่กินข้าวแทนเราได้ไหมไม่ได้อืถึงเวลาเราก็ต้องกินไงถ้าไม่กินเราก็หิวใช่ไหมถึงเวลาไม่นั่สมาธิเดี๋ยวใจก็ใจก็ไม่มีความสุขนะพยายามนะพยายาม ทำทุกคืนตั้งสัจจะที่ฐานไว้ว่าต่อไปนี้น้องถิมจะนั่งสมาธิทุกคืนกี่นาทีก็ว่าไปยกเว้นถ้าเกิดไม่สบายหรือมีเหตุสุนวิสัยไม่สามารถทำได้ก็ยกเว้นไปแต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรมาขัดไา่ควรจะทำมันเลยมันจะได้ติดเปได้ใสย นิสัยที่ดีนี่มันจะติดตัวไปกับเราเป็นเวลายาวนานเลยนะนิสัยที่ไม่ดีมันก็ติดตัวกับเราไปเหมือนกันพยายามเอานิสัยที่ดีแล้วมันจะพาเราไปสู่ที่ดีต่อไปแตมเ็นอะไรอีกไหมใจนะไม่ไนะไมีค่ ะ, อะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะที่เมตตาสอนสั่งทีมนะคะ โอเคแลแบบขอหนูขออนุ ญ, ญาตมีคาถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่ะคือคือว่าพอเราออกจากสมาธิแล้วค่ะพระอาจารย์หลังจากเราออกจากสมาธิอะค่ะเราควรจะนั่งเฉยเฉยต่อเพื่อที่จะแบบพิจารณาไปทางปัญญาแบบนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าเหมือนกับเราเพิ่งออกจากสมาธิมาแล้วช่วงนั้นมันมีกำลังอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะพอาจารย์คือการพิจารณาทางปัญญานี่มัน มันขึ้นอยู่กับว่าสมาธิของเราสติของเรานี้ดีพอหรือยังคือเราสามารถนั่งสมาธิได้ทุกครั้งแล้วสงบทุกครั้งหรือยังถ้ายังถ้าเราไปทางปัญญามันจะทําให้การเข้าสมาธิยากขึ้นเพราะเราต้องใช้ความคิดเราคิดไปทางปัญญาบ้างจะคิดเดี๋ยวไม่นานเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ให้เวลาจะเข้าสมาธิมันจะทําให้ยากกว่า ถ้าเรายังไม่ชํานาญเข้าออกทางสมาธิเวลาอยากสมาธิมาเราควรจะเจริญสติต่อใชดีกว่าถ้าจิตไม่คิดก็ให้รู้เฉยๆไปช่วงนั้นถ้ามันยังไม่คิดมันสงบก็ไม่ต้องไปปล่อยไม่ต้องไปเรื่องให้มันมาคิดนะครับถ้ามันสมงบไปนานให้มันนิ่งไปนานถ้ามันเริ่มคิดเราก็ใช้สติหยุดมันอย่าให้มันคิดนองควบคุมความคิดให้ได้ก่อน เรารู้ว่าต่อไปเราออกจากสมาธิมาเราสามารถควบคุมความคิดได้สามารถกับเข้าสมาธิได้อย่างสะดวกอย่างสบายคือเราทํานานกับการเข้าออกสมาธิแล้วทีนี้เราค่อยมาเจริญปัญญาปัญญาก็มีสองแบบปัญญาแบบทํากันบ้านคือคิดโลง่งเงาไว้ก่อนถึงข้อสอบที่เราจะต้องเจอเป็นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย ความพัดผ่ากีอยากกันถามถามตัวเราว่าพร้อมไหมพร้อมจะเยอกับสิ่งเหล่านี้ไหมกลัวไหมทุกข์กับมันไหมอะไรเราหาวิธีแก้วิธีแก่คือต้องยอมรับความจรงิงว่าอันนี่คือธรรมชาติของร่างกายไม่มีใครสามารถที่จะหนีพ้นไปได้ถ้ายิ่งอยากหนียิ่งมันก็จะทาให้ใจทุกข์ให้ใจเครียด แต่ถ้าทาใจให้นิ่งเฉยให้มันปรากฏขึ้นมาแล้วอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้อันนี้เป็นการทำการบ้านส่วนถ้าออกมาแล้วเกิดไปเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีข้อสอบเข้ามาแล้วเช่นน้องทีมหายไปไม่รู้ไปไหนอทำไงดีเค ร, รียดแล้วสิมุ่นวายหรือเปล่าใจ ไ, ไม่สงบนะเมื่องตอนก็ต้องทําใจให้สงบก่อน ที่ว่าน้องทิมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงน้องทิมจะอยู่จะตายเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาไปแล้วเยเราไปวุ่นวายมันก็ไม่ทําให้เกิดเขากลับมก็ไม่ทำใเขากลับมาได้ในเบื้องต้นเราต้องยอมรับความจริงว่าเขา อ, อาจจะไปแล้วก็ได้ไปแล้วไม่กลับมาก็ได้แล้วทำใจให้สงบก่อนยอมรับความจริงก่อนออความจริงที่อาจจะเป็นไปได้ พอยอมรับได้แล้วใ จ, จาหายเครียดหายวิตกก็ค่อยไปตามหาต่อไป <c oughs> แต่ตามหาด้วยใจที่ <c oughs> ไม่ทุกข์ไม่เครียด <c oughs> ทาตามหาทตามหน้าที่ของเรามีหน้าที่ต้องติดตามเพราะสิ่งที่สูญหายก็ติดตามไปแต่ใจพร้อมที่จะพร้อมที่จะเสียมันไปแล้วถ้ามันจะไปจริงๆ <c oughs> น, นั่นคือการทำก็อสรอบ็บ ถ้าใจเครีทดออกมาจากสมาธิไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้ใจเครียดเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เครียดว่าเป็นเป็นตานะ <Okay. S 2> ทุกที่เราทุกเพราะเราไปอยากให้มันไม่เป็นตานะเราอยากให้เป็นของเราอยากให้อยู่กับเราไปนานๆ <Okay. S 2> มันมีสองวิธีปัญญาเวลาถูกไฟบังคับออกมาก็เจอเรื่องทาให้เครียดแล้วนกะ็ต้องใช้ปัญญา พยายามตัดความทุกข์ตัดความอยากที่ทําให้เราทุกข์ได้ให้ได้ <Okay. S 2> เราตัดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็หยุดเสียหยุดความอยากเรีอ ย, ยอมรับความจริงว่ามันเขาเป็นอย่างนี้เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราก็จะหาเครียดหายทุกข์แล้วอีกแบบหนึ่งะคะ่ะพระอาจารย์คือว่า อ่าการใช้การสู้กับกิเลส น, นะคะพระอาจารย์ที่เข้ามาไม่นี่ไงไม่นี่ก็คือกิเลสก็คือกิเลสเนีงยความ โ, โลภความอยากกิเลสเท่านั้นคือมันมักจะคือเวลามีปัญหาเข้ามายังพอจะแบบยังมีสตินึกออกแต่อย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องความอยากแบบทางรูกเสียงกลิ่นรสผดทพะพะแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ต้พิจารณามันเป็นไตรั้งเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสมันเที่ยงที่ไหนนะน่นูกชอบดูไม่ทันตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ มันเสร็จมันทุกที่เลยเอย่างเงี้ยค่เลยนะเวลาได้เสพมันสุขเวลาไม่ได้เสพมันมันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพ จ, จะทำยังไงเช่นแฟนไม่อยู่อย่างเงี้ยทําังไงก็เงาเลาก็เอร้าชอบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่<อ>นแหละอันนี้ก็ยกตัวอย่างถ้าอาวันหนึ่งไม่มีเงินจะซื้อแต่อยากจะซื้อขึ้นมาเะทำยังไงเหมือน เหมือนรู้สึกว่าแบบเออมันมันยังยังยังทําได้ไม่ดีพอค่ะตรงเรื่องบางเรื่องอะคะก็ได้มาแล้วมันทําให้เราไช่มันอิ่มทําให้เราอิ่มแล้วพอหรือเปล่าเราต้อหิ่มไหมพอมันไม่อยากจะได้ใหม่เรื่อยๆใช่ใช่เอี่ยก็ต้อเห็นว่ามันจะทําให้เราต้องทุกข์กับมันต้องรับใช้มันแล้วต่อไปเราจะต้องท่านเงินเท่าไม่พอใช้อาจจะต้องไปขอยืมเงินเขาหรือต้องไปชอบโกงหลือไปทําอะไร S <S คนทาํางานต้องทํอาหารกินผิดกฎหมายกันเพราะใช้เงินมากใช้เงินมากใช้เงินซื้อของต่างๆนี่แหละอยากจะอวดเขา <S 2> <S 2> ว่าเราใช้ของหรูหรากระเป๋าใบละแสนอย่างเงี้ยรองเท้าคู่ละแสนไม่ <S <S อะไรเงี้ย ม, มันก็เราใช้เงินมากเลยใช่คือมันมันมันก็มัน พอพอถึงเวลาปุ๊บนะคะคือปกติก็จะฝึกสติอยู่เกือบจะทั้งวันนะคะพระอาจารย์เหมือนมีโอกาสช่องกับพุดโทกับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านนะคะแต่พอเวลาถึงเวลาที่มีอะไรที่มันจะมีข้อแบบยกเว้นให้ตัวเองเนี่ยตลอดมันเหมือนมันดูไม่ทันนะคะพระอาจารย์คือพอถึงตอนนั้นปุ๊บจะเหมือนก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนั้นปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีสติอค่ะแบบเหมือนมัน พอมันบางเรื่องค่ะมันไม่ค่อยมีสติก็ต้องรู้ว่าวันวันใดวันหนึ่งเวลาเราอยากมันแล้วเราไม่ได้มันมันจะทําให้เราทุกข์ค่ะค่ะเป็นเหมือนยาเสพติดค่ะค่ะเสพแล้วก็ติดวันไหนไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ขึ้นมา่ะก็จะพยายามสู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุ ขอบคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะที่วันนี้เมตตาสอนสั่งเยอะเลยเจ้าค yeah. ่ะอ่าอ่กคุณมาลีมาลีไม่มีความยากตรงนี้เลยใช่ไหมสบายตั้งสมาธิดีกว่าจ้ <c oughs> <c oughs> าหลวงพ่อค่ะอืมพอมาถ้าอยากก็กลับไปเข้าสมาธิใหม่ดีกว่านะจบหมเรื่องค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าออกมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาทุก อ, อย่างเป็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็เราไม่สามารถที่จะกําหนดบังคับให้มันให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาก็แหมเหมือนนี้เป็นไปตามหลักตรลักใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ทุกอย่างเป็นตายล้างหมดนะ่ะแต่เราไปเห็นว่าทันที่จะเป็นทุกข์เราก็กไปเห็นว่ามันสุข เป็นนิจจังสุขขังนาตาเป็นของเราเป็นของที่จะอยู่กับเราเป็นใจตลอดนิจจังยังอยู่แน่นอนไม่มีความการพัดนาจากกันไปยึดไปยึดเอาไว้ด้วยก็นั่นแหละบอคว่าเนาจะจะอยู่กับเราไปตลอดอวนันนี้คื้นนี้ก็จากเราไปขึ้นมาเนี่ย้องหมน้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน ก็คือลืมลืมลืมว่ามันเป็นอนัตตาไปอนะคะอ่าหรือว่าเป็นอนิจจงเลยมันเป็นของไม่เที่ยงอของเชื่อค่าวคะพยายามเป็นอะไรอยากอะไรให้มองให้เห็นอนัตเห็นเห็นตายรักแล้วมันก็จะหยุดความอยากนะนเห็นทุกข์ได้มาเราจะทุกขนะไม่ใช่สุขสุขก็ จ, จะได้แต่มันก็มีทุกข์ตามมาด้วยมันกกมันจะหมดค่ะ พูไปเลยมีอะไรอยากค่ะสูกที่ทําให้ไม่อิ่มไม่พอสุขที่ทําให้หิวอยู่เรื่อยได้มาแล้วเดี๋ยก็อยากจะได้อีกได้คือก็อยากจะได้สองได้สองก็จะได้อยากจะได้ว่าตทวีคูณมาเรื่อยๆโอเคมีอะไรไหม วันเมื่อวันพากที่หลวงพ่อเท น, นูก็ได้คำตอบแล้วค่ะหลวงพ่อที่ว่าเรื่องระดับของความสงบมาค่ะหลวงพ่อคือถ้าถ้าระดับความสงบจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกำลังสติที่มันมากขึ้นอนนี้หนูหนูก็เลยได้เข้าใจเหมือนเหมือนเวลาที่เรานั่งปฏิบัติอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็สงบ เหมือนเราเข้าไปอยู่ในบริเวณบ้านแล้วค่ะแต่มันจะต้องเข้าไปอีกเข้าอยู่ในตัวบ้านเข้าไปอยู่ในไปนอนใช่คใช่ค่ะแล้วพอค่ะก็ต้องใช้สติผักมันเข้าไปเรื่อยๆพีเีรมันพีเดรมันพยายามผักแล้วออกมาผักใจออกมาให้ไปหารูปเสียงกินด้วยค่ะพอพอทํามาถึงตรงเนี้ยมัน มันเห็นเป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, อพอพอจิตมันสงบพอสงบปุ๊บมันจะพาดมาอีกอีกช่องหนึ่งอะค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันจะจะเริ่มเอ่อเรียกอะไรนะคะสัญญาสังขารอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีมันก็มีมีแต่มีแต่ความสุขเริ่มมีความสุขมีความสงบมากมากกว่าไอสงบครั้งแรกอะค่ะหลวงพ่อมัน มันเห็นเห็นแบบเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วมันก็คือมันมันทิ้งขั้นที่หนึ่งลงมาเลยอะค่ะหลวงพอ่อแล้วมันก็อเวทนาไม่มีความคิดปุงอะไรไม่มีคือกายก็เบาเบาไปหมดเลยค่ะหลวงพอ่อเบากายเบาจิตเบาแล้วก็มีความสุขโดยที่มันไม่รู้ว่าสุขจากอะไรอ่ะค่ะหลวงพอ่อสุขม่ต้องรู้เสียงเพรสุขจากความส ง, งบก็หม่<า>หนุ หนูหมายถึงว่าเหมือนแบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องมีอะไรแต่มันก็สุขเหมือนถ้าเทียบ ก, กับเราไม่ได้ว่าเราได้ของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นความสุขที่แบบว่ามันยิ้มยิ้มออกมาได้โดยที่แบบแล้วเราก็ไม่อยากไม่อยากจะออกจากตรงนั้นมาจนกระทั่งกำลังสติของเราเนี่ยมันมันหมดแล้วเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ถอยถอยออกมาแล้วหนูก็มาฟังหลวงพ่อที่เทศวันพระอ๋อถ้า ถ้ามันจะเพิ่มไปอีกแสดงว่าสติเราก็ต้องเพิ่มกำลังเข้าไปอีกอ ม, มันหนูก็จะเห็นเห็นตรงนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนเข้ามาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่ออืมเธอต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาเข้ามาเข้าไปมันก็นจะเข้าได้เรื่อยขึ้นค่ะแล้วก็เห็นหนึ่งความสดตรงนั้นออกมันเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออืม แล้วทีนี้เมื่อวันวันเสาร์ที่รายการของคุณหมอเวียค่ะมีหนูมีถามไปสองคำถามะคะ่ะที่ที่หนูถามว่าวิธีปฏิบัติที่มันสั้นง่ายสั้นรัดตรงง่ายโดยอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติฝึกพิจารณาทาไปเรื่อยๆไม่เน้นนั่งสมาธิหรือว่าจะนั่งแค่ไม่ถึงสิบนาทียะค่ะคือคือมีญาติรำมาเขามา เขาเห็นหนูปฏิบัติแล้วเขาบอกว่าหนูปฏิบัติอ้อมล่าช้าแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วคือมันไม่ไม่รวดเร็วไม่ไวเท่าเขาหนูหนูก็ฟังแล้วเสร็จแล้วหนูก็เอ๊ะถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่เอาชีวิตแรกมานั่งปฏิบัติมาแล้ว แล้วมันถ้าไม่ได้มาแบบนี้มันมันจะได้ทำมาง่ายๆหรือหนูก็เลยถามหลวงพ่อไปอะค่ะเพราะแล้วหนูก็มองแต่หนูไม่ได้ไม่ได้เหมือนไปแย้งอะไรเขานะคะหนูก็ฟังฟังเขาเฉยๆแล้วเขาบอกว่าเอ่อให้พิจารณาทำไปเรื่อยๆหนูฟังแล้วหนูคิดว่าเขาน่าจะงุ้งซ้างเพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีฐานอะไรที่ว่า คือให้ให้จิตมันสงบบ้างอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาเพื่อให้จิตสงบฉันจะได้หยุดพิจารณาไม่ใช่พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาพิจารณาตั้งแต่ตีหนึ่งเขาไม่นอนเลยจิตเขาตื่นถึงตีสี่หนูก็เลยไ ม, ไม่ไม่กล้าพูดไปว่ามันกลายเป็นความฟุ้งซ่านมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่มาสอนนะคะ ท่านทําสมาธิมาจนท่านเหมือนที่หลวงพ่อบอกค่ะว่าผ่านการฝึกมาหมดแล้วท่านถึงจะมาอยู่แบบเหมือนพิจารณาอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยท่านท่านต้องผ่านตรงนี้มาแล้วหนูก็เลยเข้าใจตรงเนี้นคะ่ะหลวงพ่อและอีกคําถามนึ่งคำถามสุดท้ายเงนเสาอะค่ะเ อ, อวิธีที่หนูถามว่าฝึกสติแล้วก็นั่งแล้วก็สมาธิ และสุดท้ายคือทางด้านปัญญาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันมันสู้แบบที่มานั่งรู้สึกตัวหรือว่ารู้เอ่อรู้เกี่ยวกับธาตุรู้อ่ะไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบมันช้าอย่างเงี้ยค่ะพ่อหนูก็เลยถามของความเห็นหลงพ่อไปแต่หนูก็มองว่ามันฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนที่หลวงพ่ออธิบายว่ามันต้องผ่านเท่าเหมือนเรื่องการเรียนต้องผ่าน อนุบาลผ่านปฐมผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแนวแบบนี้แล้วแล้วเสร็จแล้วที่เขาบอกว่าเขาอะทะลุแล้วเขาเหลืออีกนิดเดียวเขาจะจบแล้วหนูหนูก็เออถ้าเขาจบจริงหนูก็อนุโมทนากับเขาแต่แต่ว่าฐานตรงเนี้ยหนูไม่หนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้หรอว่าถ้าไม่มีอสมาธิรองรับเนี่ยมันมันจะมันจะได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ เนี่ยเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้ไงไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงหมายถึงที่เขามาบอกหนูแต่หนูคิดว่าหนูอาจจะเดินช้าแต่หนูก็มั่นใจในสิ่งที่หนูได้เรียนได้รับคําสอนมาจากหลวงพ่ อ, อยังไงหนูก็มั่นใจเพราะหนูหนูค่อ ย, ค, อยค่อยเห็นไปเรื่อย <c oughs> ๆแต่มันมันจะรู้จริงๆเห็นจริงๆมันต้องผ่านข้อสอบเท่านั้นถ้ายังไม่ผ่านข้อสอบมันก็ยังไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าเราไปเจอความตายจริงๆรดู แล้วดูสิใจหวั่นไหวหรือเปล่าใจผ่านมันหรือเปล่าถ้าไบใจหมอหมอบอกเป็นมาเรืงขั้นสุดท้ายแล้วใจเป็นยังไงมันต้องมีข้อสอบถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านออยู่ดีๆจะมาบอกเป็นทําข้อสอบเองแล้วก็ตรวจข้อสอบเองแล้วก็วอกผ่านนี้มั น, ม, นมันไม่มันไม่ใช่มันต้องมีทุกเกิดขึ้นในใจแล้วสามารถใช้ปัญญาดับทุกข์อันนั้นได้หรือเปล่าค่ะ งั้นต้องไปพิสูจน์ันที่เขาอยากจะรู้ว่าเขาผ่านไม่ผ่านก็ต้องไปหาข้อสอบทํำกันให้พาไปอยู่ในป่าคนเดียวเขก็พิจะไปหาข้อสอบใหนัําในป่าช้าคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาทุกข์กวลาเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วสามารถใช้ปัญญาดับมันได้เปล่าอ่าบกเก่งจริงปัญญาถ้าปัญญาแบบตอนนี้นั่งอยู่ในห้องปลอดภัยนัง่งห้องแอร์คิดปัจะบรรลัยมันก็ไม่ได้เป็นปัญญา มันก็เป็นแค่สัญญามันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเป็นสังขารยังไม่ได้เป็นปัญญาทุกยังไม่เกิดทุกบอกเกิดปัญญาบอกมีทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดเนี่ยนั่นนควาเข้าใจที่คิดที่บอกเขาพิจารณาว่าปัญญาปัญญามันไม่ใช่ปัญญาหรอกมันเป็นสังขารหรือเป็นกินตาเมย์ญปัญญายังไม่ใช่เป็นภาวนามย์ญปัญญาภาวนามยาปัญญามันต้องเจอทุกข์แล้วก็สามารถ ดับทุกข์ก็ น, นั้นได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นตายรัจเห็นร่างกายไม่ไมไมเที่ยงต้องตายยอมตายปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปเลยลมันต้องมีข้อสอบ ม, มันต้องมีข้อสอบมันต้องมีทุกข์ถึงจะรู้ว่าผ่นหรืไม่ผ่านไอ้ดีดีมันนั่งที่ตอนนี้ว่าผ่านหมดแล้วทุกขั้นเลยไม่รู้จนผ่านไหมผ่านยังไงเพราะยังไม่มีไม่มีทุกข์ให้ปรากฏให้เรากําจัดมัน่ เขาเขาบอกเขาเขาทะลุแล้วเขาบอกมันดีครับก็โอ <laughs> <OK> เคก็ปล่อยเขาทะลุไป่แต่พอพอหนูอธิบายให้ทําเป็นขั้นๆเน่ยหนูว่าเขาตัวช้าไปไงช้าไปเพาะพวกนี้ต้องการไปเร็ว <laughs> <ช>ไมไปไหนก็นไปกันจะไปไหนก็ ไ, ไปไไรู้ <laughs> แต่หนูก็ไม่ไม่ไปแย้งเขานะคะหลวงพ่อเพราะว่ามันเขา เขาไปไกลแล้วหนูก็เลยฟังฟังเขาเฉยอ mm ืย hmm. แต่แต่หนูแม่ไม่เอาตามเพ mm ียงเพียงแต่ว่ามันมีด้วยเหรอวิธีง่ายๆรัดสั้นตรงตรงเนี้ยค่ะที่ว่าได้ง่ายๆหนูก็แค่ว่าถ้าอย่างนั้นโอ้โหก็ต้องทะลุ ก, กันหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูพ่อก็ต้องได้กันหมดทุกคนไม่ต้องไปลําบากอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วหลวงพ่อบอกว่าห้านาทียังนั่งไม่ได้แล้วจะไปหวังว่าจะไปบรรลุธรรมเนี่ย เพราะว่าเขาก็ไม่ได้นั่งนั่งปัดเขาเรียกว่าอะไรนั่งสมาธิเขาก็ไม่ได้นั่งเยอะแบบหนูก็งงนั่งไม่ถึงสิบนาทีอ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันจะได้มันจะมีสมาธิตรงไหนอะไรไม่เข้าใจ่แต่หนูก็ไม่ไม่อะไรแค่แค่ตอบถามหลวงพ่อว่าเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ <Yeah. S 2> มันแล้วมันจบ่ายของเราแล้วคนจะรู้หน หนูก็เลยแบบเหมือนเขายืนยันหนักแน่นว่าเขาใกล้จะตายวายเขายืนยันไปแล้วส่วนเราเราก็ยืนยันของเราไปหนูก็ไม่ถอยของหนูหนูก็เพราะว่ามันพูดหลายครั้งแล้วค่ะถึงก็ปล่อยเขาพูดไปก็ปล่อยเขาพูดไปแต่หนูก็ยึดของหนูเนี่ยค่ะหนูก็ปฏิบัติของหนูไปเรื่อยๆแล้วหนูก็อธิบายอย่างเนี้ยในสิ่งที่หนูได้ได้ ปฏิบัติมาแล้วผลมันเป็นแบบเนี้ยหนูก็จะมารายงานหลวงพ่อแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อหนู่าคิดว่ามันน่ามันต้องถูกจะบอกว่าไม่มันน่าถูกแต่มันก็เห็นคือมันมันเห็นนะปฏิบัติแล้วมันเห็นนะคะหลวงพ่อเห็นว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็ขยับปัญญาปัญญาแท้จริงมันต้องมันต้องมีทุกเกิดขึ้นมาก่อนแล้วสามารถใช้ปัญญาดับทุกข์ันนั้นได้อนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงถ้าปัญญาโดยที่ไม่มีทุกข์แล้วก็ ไม่มีทุกเกิดไม่มีทุกดับมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสังขารความคิดปรุงเป็นจินตามายาปัญญาไม่ใช่ภาวนามายาปัญญาค๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเค okay, นะเขอบคุณหลวงพ่อมากๆค่ะโอเคสาธุสาค่ะอาจารย์พรหมพิราย <c oughs> หาไปไหนมาทิ้งที่แล้วเข้าไม่ได้เลยเขาพี่ได้เขาไปงานศพลานมากสี่สิบหกเสียชีวิตแล้วอ พันทีทันใดเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงหัวใจขาดเลือดค่ะกลับจากกรประชาย์ค่ะกลับมาก็พยายามวิ่งเข้าอ่ะก็เจอแต่ที่คนที่สามสิบเจ็ดเราก็นั่งรอจนเอ้าสี่ทุ่มแล้วไม่ได้แน่ค่ะวันนี้ก็เข้าตามระบบเดิมค่ะน่ค่ะก็จะกรรมเรียนพระอาจารย์เมื่อวานนี้ครบวันแม่จากไปหนึ่งปีนะคะพอหนึ่งปีแล้ว ค่ะมิอุนา็นแม่ร้อยเห็นใช่ร้อยสามค่ะร้อยสาม่ะหายากนะคนที่อยู่เกินร้อยได้ค่ะก็ทาบุญที่บ้านค่ะวันนี้เพะท่านเสียที่บ้านเมื่อวานนี้เหรอค่ะมืวานค่ะอ่าไปคพอดีเลยค่ะของยยนพ่อเราวก็วันที่หกหมิถุนาเสียวันที่หกมวันนี้ก็วันที่สิบนะใค่ะใกล้กันค่ะ ก็ดีค่ะก็ได้ทำบุญได้ที่บ้านแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคเรียบร้อยไปทำบุญอีกทีคงที่วัดโพแล้วค่ะเพราะว่าอธิบีอยู่ที่นั่นมันก็เป็นการเตือนสติว่าไม่มีใครรอดรอดจากความตายไปได้หร อ, อกนะค่ะก็นําวันรอไปเรื่อยๆค่ะเราก็เตรียมตัวรา ถ้าเาราไปอย่างแฮปปี้อะไรไปแบบแฮปปี้อยากไปแบบแฮปปี้วู้วู้สิตังประมาณรี้ไอ้ไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าวูปัสมุสโกถ้าละสังขารได้ปล่อยสังขารได้ปล่อยร่างกายได้ก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งออความตายนี้มันไม่ได้มไม่จำเม็นจะต้องทุกข์นะถาคนั่งปฏิบัตินี้กลับจะดีใจก็ละมดภาระไปได้ทีพาละฮเวเปัญจักขันธ์ทางเนี่ย ต้องคอยเลี้ยงดูมันคอยแบกมันมาพอไม่มีมันแล้วเว้ยสบายโล่งเบาใจสบายยิ่งสูงอยิ่งแบกเยอะเลยนะค่ะเดี๋ยวก็เข่าเดี๋ยวก็ทุกอย่างทุกส่วนเลยยมันตามมาเรื่อยๆค่ะก็ปรองไปเรื่อยๆโอ้มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละอืว่นนู้กูยิ่งแบบพยาขามแข่งในการดูแลสุขภาพดูค่ะไม่ดีดูแลได้ก็ดูแลไป ออกําลังกายเงี้ยค่ะอมีเวลามากเหลือเกินค่ะมีเวลามากมไม่ไช่เหลือน้อยเวลาเหลือน้อยนอ ย, นอยลือน้อยก็เล่งเลงปฏิบัติก็ยังสวดมนต์ที่ไรนั่นงร้องเพลงที่ไรก็เลยผิวว่าอืมเราจะไปได้ถึงไหนไม่รู้เนี่ยเราก็อยากจะไปแบบมันเกิดกันทําไมเนี่ยมนุษย์เนี่ย เรื่องนี้จะมีหรือเาก็ไม่รู้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ใช่แต่เราผู้คงน่าจะไปได้ดีๆนะคะโอเคกระสวดมนต์ทาบุญนั่งสมาธิตั้งสตินะมีอุเบกขาพอถึงใจรักได้เงินพยานสงบอล้ำบุญก็จะพาไปสวันต์ต่อค่ะผมใช้ใจรักเป็นที่ตั้งคืออนิจจังสังหั้าต์แล้วก็ ก็มีชีวิตที่มีมีสุขดีปล่อยวางแต่เห็นตายแล้วก็ต้องปล่อยวางก็แฮปปี้ทุกเวลาพยายามโอเคหาถึงไปที่กุนิงต์กุนิงต์ประเทศยากเรียนพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงนายนเข้ามาทีเดี๋นี้ เอ่อเข้าไม่ได้ครับพระาอาจารย์เราไม่ได้กังที่แล้วก็นั่งฟังข้างนอกแล้วก็เขาเข้าเข้าส่งสามรอบไม่ได้ก็อักรงไส่เข้าไม่ได้แล้วครับพระาอาจารย์อืันนี้เขาพยายามที่จะจะจะเปลี่ยนคิวกันพวกะถ้อยู่ท้ายคิววันนี้ก็เข้าน่าใกล้ามาอยู่หัวคิววันนี้อยู่หัวคิววันนี้ก็อยากจะใหอยู่ท้ายคิวบ้างท้ายแถวบ้างเปลี่ยนกันเพราะคนอย่างนี้อยากจะเข้ามากันเยอะ ใน ต, ตอนนี้ยังมีเรา อ, อยู่อีกสัอีกสามคนอยู่ น, นะยังรออยู่ในห้องยังเข้ามาไม่ได้เพราะกลัวเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันมันพูดแล้วมันจะยาวกว่าจะจบมันอาจจะเลยเวลามันจะเด็กเกินไปพยายามจะให้มันจบประมาณสี่ทุ่มอาจารย์อาจารย์ก็จะได้พักผ่นอนนะคะก็มีอะไรค่ะตอนนี้ก็อ่าอก็ฝึก ไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ตั้งแต่ลงมาจากเขามาไปอยู่มาเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นก็เข้าซูมได้อยู่คับอยู่อีกบนเขาอ่ะค่ะพระาอาจารย์อก็ตัดสินใจไปเลยก็อ๋อพอไปถึงกลายเป็นว่าตัวเองเป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรก็ปฏิบัติเองอะไรเองอ ะ, ค, ะงค่ะเหมือนปลาไดนามิเลยค่ะสบายสบายมากหนูยังบอกว่า เดี๋ยวเที่ยวหน้าหนูจะเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้หือจะพยายามหาเวลาให้มากกว่านี้ครับค่ะก็จะหันหลังทางบ้านก็จะพยายามมองก็พยายามจะให้เขาชินนะคะ<ห>พร <า S 2> ะอาจารย์รู้ ว, ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดนะใช่ค่ะพระอาจารย์หนูบอกบอกประจําค่ะบอกบอ ก, บอกทุกคนให้เตรียมตัวอมไม่ว่าเขาว่าเราค่ะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเิดใจเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีเขาหรืออะไรยังไงแต่คนอื่น เหมือนครับอะไรเราเป็นที่พึ่งนี่อันนี้หนูก็เข้าใจนะครับพระอาจารย์แต่ก็ทําให้เขาชินค่ะซึ่งท้องต้องคิดพึ่งตันเองมากาแล้วแหละพึ่งคนอื่นไม่ได้ไปตลอดเพราะว่าหนูก็ต้องไปในในใ น, ในจุดจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนที่ได้ฟังมาแล้วก็เข้าใจว่าคำว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นแน่นอนอกฎแต่รักกันคือกดเที่ยง ที่สุดแล้วค่ะเดียยุติธรรมที่สุดแล้วห<ม>นูก็<ม>คุยกับแม่วั น, นวันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเพรู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นในในในส่วนของตัวเองที่ไปนะตรงนั้นน่ะอรู้เลยว่ามันเป็นที่ที่เราจะต้องจะต้องอยู่กับตัวเองจริงๆค่ะพระอาจารย์ไม่มีอาการกลัวไม่มีอะไรค่ะพร ะ, ค ะ, คะอาจารย์เอ่อนอนทำไมหนูก็บอกว่าอทําทไมนอนหลับสบายจังเลยไ <c> ป <oughs> <c oughs> เจอกับน้องคนนึ่งเขาบอกว่าเขากลัวมาก อ๋อค่ะอันนี้นี่หนูก็เข้าใจก็ไม่มีอะไรพี่ไม่กลัวบอกธรรมดาเฉยๆอาจจะเคยอยู่ป่ามาาั้งคะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้อะไรมากค่ะแต่ตอนนี้ก็ปฏิบัติคับพระอาจารย์แต่คือในเรื่องของสติแล้วก็สมาธิามีอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์พอดีนั่งสมาธิบางีนานเป็นชั่วโมงหนูรู้สึกว่าอาจจะเคยผ่าหลังผ่าตัดหมอรองกระดูกมาแล้วก็เมีปัญหา มีช่วงหนึ่งสองอาทิตย์คือปวดมากข้างหลังแบบลุกขึ้นมาปั๊บแป๊บแป๊บแ ป, แป๊แต่หนูก็มานั่งคิดว่าอา้าร่างกายก็คือร่างกายก็ไม่ไดเอาอะไรมาใส่ใจมันหลังจากนั้นเขาก็หายไปเองตอนนี้ก็ยังปวดแต่เราไม่ได้ไปไปคิดนะคะคิดถึงคำพูดของพระอาจารย์คือใจกับกายมันไม่ได้มาดูเกี่ยวกันแต่เพียงแค่ว่าเราอะเอาใจของเราไปอยู่กับเขาอะตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกปวดหนูพยายาม<ๆ>ทาอยู่ตรงนี้ก็ เริ่มเข้าใจค่ะพระอาจารย์อกอะจายกายค่ะก็เลยอ๋ออยู่ๆเขาก็หายไปตอนที่เราปวดถ้าเราไปโอ๊ยทําไมปวดจังนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ตลอดเวลามันก็ปวดปว ด, ปวดอยู่นั่นแหละแต่พอเราทําเฉยๆไม่ต้องไปสนใจทําอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ก็ผ่านไปได้ค ร, รับอาจารย์เลยเข้าใจว่าอะถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นอะไรอย่างงี้ค่ะกไม่มีอะไรมากแต่รู้รูเลยว่า เราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็ทําใจให้นิ่งทําใจให้นิ่งไม่เฉยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีขึ้นมากอยู่ครับพระอาจารย์พอวางขีนปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้ก็อ่ะมันก็มีอย่างนี้มาตลอดเวลาเฉียงแค่ว่าเราจะวางใจตรงไหนครับพระอาจารย์ก็มาบุคคลแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเเดี๋ยวเราไปมันก็ยังมีปัญหาอีกเรานประโยชนต่อไปนะค่ะพระอาจารย์มันไม่จบสิ้นนะคะถ้าเราไม่จบไป ใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์หนูก็จะไปเป็นปกติพาลาลากไปได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ดีจ้ะถึงเห็นดีเห็นทีเดยไปเขาเอาของค่ะอาจารย์อเขาอยากได้ตุ๊กตาเขาบอกว่าอาเท่าตุ๊กตาแล้วหนูจะเอาไดโนเสาร์มาทําไมห้างกันเอาไปคืนเขาเดินดุยดุยเอาไปคืนเลยหนูก็หโอ้โหเป็น ก็อบอกเอาไปคือทุ่จ้าก่อนๆๆๆอเนะค่ะพระอาจารย์ยัมากระเปาขาสระทาพอ<ช>าจารย์ไปเจอบรรยไปที่คุณหมอหนาวุฒิหมอรับกั บ, บมนมสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงสบายดีครับ <laughs> ลงนงไ ป, ปิเดินทางบ่อยเนี่ มีมีประชุมมีเลคเชอร์ครับเริ่มเก่าเข้าสูอร์ระบบครับเซอร์ระบบครับใช่ครับครับ่ะก็แต่ว่าก็พยายามปฏิบัติอยู่ทำช่วงเดินทางก็ก็นั่นมีสติสมาธิได้ทำได้ครับมีช่วงไหนนั่งสมาธิได้ก็ควรจะนั่งเลยอย่าทิ้งครับนะครับช่วงนั้งว่างๆมันเครื่องหรืออะไรทั้งหลายก็ทําครับทำถ้าทิ้งมันมันเวลาจะกลมามันจะยากขึ้นครับนะครับรักษาระดับ การบรรลุมายของละไว้ให้ได้มากที่สุดครับนี่จะทําได้ความสงบที่เราต้องต้องรักษาให้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับอืมสติแล้วก็ ส, <ต>สมาธิเราต้อพยายามให้ความสงบเพื่อมันจะได้ไปต่อได้ใช่ไหมครับใช่มันก็จะได้ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วนวายครับนี่ ตัว น, นี้ก็น่าจะเป็นตัวนำท่า น, นี้ผมอยากถามอาจารย์ว่าอย่างถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ช่วงที่อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าสมาธิก็พิจารณาไตรักดูมรณะสติใช่ไหมครับเ้วไปการพิจารณา ก, กายเนี่ยเราควรจะทําตอนช่วงไหนครับก็แล้วแต่เราเราต้องการจะเปิดวิชาที่เราจะต้องสอบมันมีหลายวิชาด้วยกันอืข้างกายก็มีเป็นวิชาหนึ่งพิจารณาก็มีวิชาหนึ่ง กิจแค่เป็นหนึ่งวิชาที่เราจะต้องสอบแล้วเ็ต้องเตรียมตัวทําการบ้างไว้ก่อนอืมร่างกายมันก็มีหลายลักษณะที่เราต้องพิจารณาเช่นไม่สวยงามเราก็ต้องพิจารณาสุภาพให้เนว่าม่สวยงามคไม่มีตัวตนเราก็ต้องพิจารณาว่าธาตุสี่น้ําำไฟไม่เที่ยงเรากพิจารณาเกิดแล้วก็เราแก่เจ็บตายค เนี่ยมันมีหลาหลาลักษณะของร่างกายที่เราจะน้องสอนสอนใจค่ะอ่าให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ไ ป, ปทุกข์กับมันค่ะอ่าถึงพวกนี้เราก็ต้องคิดต้องพยายามถ้าเรามีความสงบแล้วก็ต้องพยายามดูมันให้ตลอดเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เผลอออกจากอ่าถูกกิเลสหลอกไปใช่ไหมครับมันก็ไม่มัน กิเลสไม่จะหอให้เรายึดเนี่ยให้เราทุกข์กับร่างกายครัับเราไม่ต้องถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่ทุกข์กับคามแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ไปหลงรักงกายไม่ไม่ไปเห็นร่างกายของคนนั้นสวยงามครับว่าจะเห็นอาการสารติสารนี้เห็นอสุภะเห็นซากศพนี่รับต้องมีคือความรู้เหล่านี้มันมีไว้ต้านกิเลสแต่เราใช้ไหครับะ กิเลสที่อยากจะอยู่แล้วก็ต้องเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้ร่างตายต่องตายกิเลสที่อยากไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยมันมันอยากไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยออันนี้มันก็แล้วแต่เราจะมาต้านกิเลส ต, ตัวไหนรเราก็ต้องเอาความรู้เฉพาะนั้นมามามาต้านแต่กิเลสบอกว่าร่างกายคนนี้ น, น่ารักน่าดูน่าชมเราก็ต้องเอาสุภาพมาต้านมั ร่างกายนี้ไม่ของเราไม่ใช่มันเป็นดินน้ำลมไฟบมันก็ต้องมีเอาความรู้ ม, มาใต้กิเลสเราต้องรู้ว่าตอนนี้กิเลสตัวนั้ น, นออกมาแล้วเรามีปัญญาที่จะหยุดตัวนั้นได้หรือเปล่าซึ่งก็ดูว่าเราถ้าเรามีความสงบแล้วเรามีความออกจากตัวดึงออกจากความสงบเดูว่าปเกิดจากอะไรแล้วก็ไปก็ไ ป, ก, ไปก็ไปหาแล้วก็ไปแก้ตัดตรงนั้นเช่นไหม มันดูตอนที่มันทุกข์อ่ะมันเป็นางครับนะตอนที่ทุกข์ใช่เพราะอยากเรื่องอะไรอยากกอะไรอยากเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากไม่อยากมีลาบเสียลาบเสียยศอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปดูว่าอะไรแล้วก็เอาตรงนั้นมาพิจารณาซึ่งซึ่การพิจารณากายเวทนาจิตจริงๆก็อยู่ในก้อนเดียวกันแต่ว่าแล้วแต่เราจะเอาดึงตรงไหนมามองใช่ไหมครับอย่างพิจารณากายกับเวทนาจริงก็มันก็ปนอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าแต่มันคนละตัวกันแมันไม่เหมือนกันครับนะ อ่าครับเมตนามันก็มีสามอีกชนิสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขาดไปฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอืมครับแล้วก็คุ้มบังคับมัไม่ได้อย่างนี้มันสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ขาดไปฮะเดี๋ยวสุขแปบเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวก็ทุกข์ขาดอันเดี๋ยวทุกข์นั่นก็หายไปแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เลยสลับกันไปสลับกันมาครับเราก็เราอย่าไปทุกข์กับมันครับะ เราขอเรื่องสมาธิลิ้นครับอย่างถ้าผมพุดโธก็พูดโธพุทโธพุทโทแล้วก็จ่อไอ้คาพุทโธกระตุกความสงบขอ ง, งเราแล้วก็ให้มันรวมไปให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาตรงนั้นเป็นตัวยึดความสงบที่เราจะเอาไปใช้ next ปล่อยให้มันไปให้มันเจ็บได้หมอหมอบอกเป็นมะเร็งก็ไปให้มันตายได้เลยไม่ทุกข์กับมัน เรามีกำลังมากขึ้นนี่ความมีความอยากไม่โหครับความอยากไม่เกิดขึ้นรักษาอยากให้มันไม่ตายถ้ามีอุบัติเหตุเขาขี้เกียจรักษาแล้วไว้มันตายรักษาเท่าี่รักษาได้ได้ครับขอบพระคุณครับโอเคมอบคุณนครับขอบคุณครับคุณ คุณแปมเลยลูกแปมเติอนเสียมันเล็กไปไหน่อแปมเจ้าค่ะอ่าแปมมาเชิญปฏิญาเชิญแปมปฏิญาแล้วค่ะลูกไม่ได้เข้าหลายอาทิตย์เจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่ไม่เสียค่าปรับจังปะแต่ว่าลูกก็ยังฟังธรรมพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ ะ, ะถ้าไม่ฟังก็กระกวดจะลืมก็ <laughs> แต่ว่าการฟังของพระอาจารย์ก็เหมือนก็ทาให้มีสติเหมือนกันเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เลยเจ้ า, าค่ะอ่พอฟังมันพอฟังมันก็มีอะไรคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดดังนั้นดังนงี้อยู่การฟังการฟังที่ก็ช่วยทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งเจ้าค่ะรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ไปยุ่งกับการใช้ชีวิตมากเกินไป เหมืนอยากนู่นอยากนี่เมื่อก่อนไม่เคยอยากตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะไปนั่นไปนี่เจ้าค่ะเพราะว่าการปฏิบัติน้อยลงแต่แต่จะพยายามไม่ให้ลืมพยายามไม่ทิ้งเจ้าค่ะจกยุ่งกับปัญหาชีวิตที่เคยบอกภาชานไว้เจ้าค่ะไปก็เลยทางทำก็เลยลดลดลงแต่ก็พยายามฟังธรรมะ บางบางบางวันก็ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกเข้าใจเจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติเขาจะลืมไปเหมือนกันเจ้าค่ะความอยากไม่ได้มันยังอยากจะไปทํานู่นทํานี่อยู่เจ้าค่ะช่วงนี้รู้สึกอนนุ่นก็อยากกินอยากไปเที่ยวตรงนู้นอยากจะไปตรงนี้เจ้าค่ะรู้สึกตัวเองเป็นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนไม่เคยมีเจ้าอย่างนี้เจ้าค่ะอืมเอ่อ ก็เดี๋มันไม่เที่ยงไปเสร็จกลับมามันก็หายไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับไปใหม่นะแค่นั้นเคยดีเล่ามันก็ไม่อิ่มไม่พอทั้งทีเจ้าค่ะกมมม็มีปัญหาที่เคยเปลี่ยนพระอาจารย์ไปเรื่องเรื่องลูกสาวเจ้าค่ะก็ก็คิดว่าตัวเองเจอข้อสอบหนักหนาสาหัสอยู่เจ้าค่ะอม แต่ก็ไม่ได้ทุกเจ้าค่ะแต่ก็มีบางวันเหมือนกันคิดคิดคิดไปคิดมาเอาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะจะทุกข์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ปล่อยเข้าไปสิเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปเจ้าค่ะคือคือบางทีก็คิดแล้วก็ปล่อยวางได้เจ้าค่ะแต่ว่าบางทีคิดว่าจะจะแก้ปัญหายัางไงจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงก็ก็คิดไปคิดมาแต่ก็พอรู้ตัวอยู่เจ้าค่ะว่าตัวเองเริ่มเริ่มจะทุกข์ก็มาฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะ อเก็ถ้าแก้ได้แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณหมอสองท่านหมอ้ากับหมอนน้ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ส่วงนี้ก็งานมีงานทางโลกงานอะไรเยอะครับวุ่นวายก็เลยอาจจะ ก, การปฏิบัติน้อยไปเหมือนกันครับทางโลกไม่มีวันหมดอะใช่ครับอาจารย์จะเทศให้ฟังเรื่องนี้ออบ่อยครับว่าไม่ไมดไม่มีวันหมดครับออมันไม่แต่จะเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็จะไม่จริงทางธรรมค่ะพอาจารย์ครับ อ, อืก็จะมีเหมือนเหมือนจะมีอาจารย์นําทางมีพระรัตนไตรัยนำทา ง, าาทางอย่างเวลาเกิดปัญหาก็จะแบบ คิดว่าถ้าเป็นพระถ้ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์จะตอบอ ไ, ไปายังไงเพราะว่าก็จริงจริก็ฟังฟังพระอาจารย์ตอบคําถามมาเยอะ ค, ะค่ ะ, ะก็จะยังบางทีจะดิสชัดกันว่าแบบถ้าเป็นพระจะถ้าถามพระอาจารย์พระอาจารย์จะตอบอย่างนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก<ม>็คือแล้วมันก็บางทีมันก็ผ่านไปได้ ค, ะ<ม>ค่ะทายครับมันก็อยู่ในวงตายนักไม่มีอะไรคำตอบทุกเกิดจากความอยาเพราะมองไม่เห็นว่ามันเป็นตายนักพราะมันเป็นตายนักมันก็หายมันก็หยุดความอยากได้ ครัถ้ามันเหมือนเรายอมรับเราก็จะสบายใจใช่ไหมคะใชะ่ที่ทุกคนเราไม่ยอมรับเนี่ยอะไรก็ตามก็พยายามที่ยังไม่ไม่ไม่หนีห่างจากทางธรรมครับก็เพราะว่าตอนนี้จะยึดตรงนี้เป็นสาระนะครับ อ, อยากมีพยายามมีสติตระหว่างวันแล้วก็จะจัดสรรเวลาเรื่องนั่งสมาธิอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ครับนี่ค่ะ โอเคนะ่ะอขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับคุณเอกเชียงรายการรำมการพระอาจารย์ครับอ่เป็ยังก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพระอาจารย์นนครับผมไม่มีปัญครับก็ฟังไปต่อ ถามอีกคนหนึ่ที่เขามีปัญหาพูดนะถามก็ก็วันนี้ก็ก็ก็ได้ได้ปัญญาเพิ่มไปที่กระจ่างขึ้นนที่อาจารย์ว่าทุกบุญมีปัญญาบัาเกิดคือปัญญาแท้ไม่เกิดคปัญญาแท้ต้องเกิดตอนที่มันเกิดความทุกข์แล้วอาปัญญาแท้มนดับความทุกข์ได้มันก็เป็นปัญญาครับครับก็กระจ่างตรงนี้ขึ้นมามาเยอะเลยครับอาจารย์ว่าอ๋อทุนนี้หายไปแสดงว่า มันไม่ใช่สัญญามันเป็นปัญญาออัมนตอนนี้ร่างกายเรามันไม่มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลยเราก็เลยมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเราเราไม่ทุกข์กับมันนตอนนี้เมื่อไม่ทุกข์กับมันเราก็ถึงแม้จะมีปัญญามันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันรูว่าปัญญานี้มันเอาไปดับความทุกข์ได้เปล่าคมันทั้งเราให้เวลากิดทุกข์ขึ้นมา ร่างกายจะตายหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอันนั้นเกิดความทุกข์ขึ้นมาจเอาปัญญามาใช้ให้มันดับความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าดับความทุกข์ได้อันนั้นแหละคือปัญญาที่แท้จริงครับบคครรัั้นต้องต้องพยายามถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องหาทําให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาครัแล้วดูสิว่าเราอยู่กับมันได้ไหมฉันน้ำโอดข้าวสักสามวันห้าวันดู การความทุกข์จากการหิวข้าวนี่ใช่ผมโดยที่ว่าเราหยุดเราหยุดความทุกข์นี้ได้ไหมครับ <c oughs> อิอ น, ชอ <c oughs> อนชัดเลยเอ็นชัดเลยครับอาจารย์เดี๋ยววันน ม, มันตอนนี้มันอิม่มท้องมันไม่มีทุกข์เหมือนกันครับ <c oughs> ผม <c oughs> ตื่นเช้ามาทุกวันมันมันจะเจ็บมาเจ็บตรงตรงคอบ่าดไหลครับอาจารย์เพราะว่ามันก็ดีอยู่เพราะว่ามันมันเจ็บมาให้เรารู้ตัวว่า เมือแกการมันไม่เที่ยงเงี้ยครับอาจารย์อก็เอดูแลมันไปนวดมันไปถ้ามันหายก็หายมันไม่หายก็เออมันมันเจ็บแล้วก็ไปไปยังไงอ่ะไปไปอยากให้มันหายมันก็พุกเป่าเงี้ยครับก็ก็ดูมันไปครับอาจารย์ว่าเออมันเป็นข้อสอบมาให้เราได้ดูได้รู้เงี้ยครับอาจารย์มันก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้เกือบเกือบทุกเช้าบางทีนอนไปมันปวดต้นคอพระอาจารย์ก็ ปกติมันตื่นตีสี่นะครับปุ๊บบางวันมันก็ตื่นเช้าค่ัอาจารย์ตีสามกว่าก็ตีสามกว่ามันเจ็บเพรมานั่งสมาธิมันก็หายเจ็บไปครับอาจารย์อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับรก็ก็มีอยู่อยู่นิดหนึ่งว่าที่อาจารย์พ้ถ้าเรานั่งไปเนี้ยมันดูลมไปใช่ไหมครับแล้วก็ลมมันหายก็ก็ไม่มีอะไรลมมันหายก็เราก็รู้ว่าลมมันหายใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดูต่อไปดูที่เดิม ก็เหมืนพระอาทิตย์ตกแล้วก็แล้วก็ดูท้องฟ้าต่อไปถ้าเราดูท้องฟ้าครับไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ดูเพียงแต่ว่าท้องฟ้าท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้มีดวงอาทิตย์ตอนนี้ไม่มีดวงอาทิตย์แคเท่า น, นั้นเองครับอืเมื่อกี้มีลมเในนี้ไม่มีลมก็ร่วมไม่มีลมก็ดูที่เดิมอย่างนี้แล้วแล้วผมมาห่วงคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ตายไปเงี่ยพอาจารย์ถ้าเราอยู่ตรงที่ที่มีอะไรเลย มาอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ก็อยู่ได้แค่สวรรค์หรือภุมแค่นั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่ายังไม่ตัดกิเลสเลยไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมครับพอาจารย์คือถ้ายังใช้สติหยุดกิเลสมันก็ยังยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะกิเลสมันไม่ตายพอสติเราอ่ อ, อนอกําลังลงกิเลสคือการมัชันท่ามันก็จะกลับมาหนึ่งก็ลัามาเกิด ไม่ว่าเราจะอยู่สอนท่านพมก็ตามแล้วก็สติบทกําลังลมออกจากมันก็ต้องออกจากชาญมาเพราะออกจากชานก็จะย่อกิ เ, เ, เลสความอยากในกามความอยากในกามมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่น อ, นอกจากว่าถ้าเราใช้ปัญญาฆ่ากิเลสไม่มีความอยากในกามแล้วเป็นพระอนาคามีแล้วทีนี้จะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ไม่มีตัวกามแล้วกามมันไม่ถูกกำจัดด้วยปัญญา การมสันทะหมดไปอย่เงี้ยนะครับอ่ใช่มันก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยต่อไปครับเเต่เพราะ เ, เพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับอาจารย์ได้ได้ได้ได้เทศสั่งสอเนเลย ว, ว่าสดยถ้าสมาธิก็คือว่าก็เหมือนหินทับหญ้าใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ายังไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมครับใช่เป็นเพียงแต่กดซะมันมันกดเกลี่เเขาลยไว้แต่พอออกจากสมาธิมันก็เหมือนยกหนินออก พอยกพินเอากิเลส ต, ตอนยามมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ครับผมครับสมัยที่พูะเจ้ายังไม่ตัดสินกับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เข้าฌานได้เพรอท่านั้นตายไปท่านฌานก็จะส่งให้ท่านไปอยู่พรหมโลกพอฌ า, <อ> า, านหมดกาลังลงกิเลสมันออกมาการมตัณหาออกมามันก็จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นการมาพบมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมามีร่างกายอ่ พรยังอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นต้นอยู่ครับแต่ถ้าใช้ปัญญากําจัดเมื่อสุภาพะเห็นว่าทุกอย่างในนั้งใจเป็นซากสมไม่สวยไม่งามตามอยากมันก็จะหายไปหาแบบถาวรไม่ได้กลับมาจะอยู่ในสมาธิหรือ ไ, ไม่ต้องอยู่ในสมาธิไม่ได้ครับถ้ามันทหายด้วยปัญญา มันก็ยังไม่มีตัวนึงให้เราทำมาเกิดในภพของมนุษย์เด็กต่อไปครับผมครับผมเข้าใจนะเข้าใจครับพรอาจารย์กับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมโอเคดูครับไปเล็คุณศาธกาต่อกลับบ้านนั้นเลยคุณศาธกากลับบ้านแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะไปอยู่วันกามกี่วันเจ็ดวันเนอะค่ะดีไหมมีอะไรมาเล่าให้ฟังไหม ก็สนุกดีค่ะพระอาจารย์อ่ก็ไม่เถี่ยวเล่าเหมือนคนอื่นคือโลกหรือว่าโลกที่เกลียดอยู่ฝันคนโลกก็เลยไปพ่อพระอาจารย์โลกอยู่ได้อย่างนั้นอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยโลกก็ชิวโลกอะค่ะอ่อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเลยแม่ไม่เหงาไม่วาบเล่าเพราะลูกเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วว่าดีค่ะ รู้ก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาค่ะก็ <S 2> <S 2> <S <น>พวกอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเบาลงนะค่ะกดน้อยลงแล้วเราไม่ค่อยจะเจอใครว่าจะเมันกัเลย <S 2> <S 2> <S แต่ว่าพอเวลาเราไปงานศพอย่างเงี้ยค่ะเก่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิจรารณาแต่ว่าบางทีก็จะมีบางคนที่เหมือนแบบ พฤติกรรมออกจุนจ้างลูกก็เห็นแล้วลุกก็เฉยเพราะเฉยอนะไม่ได้อะไรนะค่ะแล้วก็เอามาสอนใจว่าอันไหนะที่เรารู้สึกไม่ชอบเราก็อย่าไปทําเออก็สอนใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะาจะดีนึกสอนว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดูของเขาใช่แล้วทีนี้เผอิญเขาก็จะ พี่ที่สนิทคนเขาว่าจะชวนไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยก็มีพี่คนนี้ไปด้วยตอนแรกลูกก็เออจะไปแต่ลูกมีความรู้สึกว่า อ, อ, อย่าไปดีกว่าอยู่บ้านสบายกว่า <c oughs> ลูกก็เลยว่าคิดอย่างนั้นนะคะอาจารย์ ม, <c oughs> มันไม่กุ้นวายออ <c oughs> ถูกต้องอยู่กับความสงบจะสบายจะสบายกว่าค่ะลูกคิดแล้วก็ ออยู่บ้านดีกว่าก็เลยบอกพี่เขาไปว่าเออหนูไป่ไปแล้วค่ะค่ะแล้วก็มีที่ว่าอาจารย์บอกว่าไอ้เรื่องความโลภให้เราบอลใจไปเรื่อยๆค่ะแเราก็ปกติอ่ะเราก็ของลูกอ่ะมาชิวๆอยู่แล้วในความคิดอะค่ะแล้วก็ทีเนี้ยไปแล้วแฟนอ่ะ อยูจๆเขาก็บอกเขาพอไปรับเขาก็ไปที่ห้างแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรไหมอะค่ะแล้วเขาก็อยากได้อพวกของแบรนด์เนมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อให้ลูกก็บอกว่าลูกลูกไม่เอาเออแล้วทีเนี้ยเขาบอกเท่าไางาน่าจะไงลูกก็บอกไอเอาไปบริษาคเออแล้วก็เสร็จลูกก็เลยเขาก็เลยแบบ เพราะว่าเราคิดกันนะคะพระอาจารย์สองคนแล้วก็มีพ่ออีกคนหนึ่งเราก็วางแผนไว้หมดแล้วถ้าแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะถ้ามันมีมากไปมันก็เหมือนไม่มีที่สิ้นสุดอแเราเอาแค่แบบชีวิตพอไปได้พออยู่ได้ใช่ลูกก็เลยค่ะลูกก็เลยเอาเงินจํานวนนั้นนะคะไปไปบริจาคหลกฐานก็บริจาคไปห้าแสนดีจ้ะค่ะ คือคิดคิดว่าอ่ามีมีสําหรับเวลาฉุกเฉินเวลาพ่ออยู่แล้วแล้วเราก็บ้านเราก็เล็กเล็กอยู่อย่างนี้เราก็สบายไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่มีภาร ะ, ะก็เลยพระอาจารย์บอกว่าพยายามบอฟฟา๊อบใจความโลภตอนแรกแฟนเขาก็ตกไอ้ อ, อนั้นเหมือนกันแต่ลูกก็บอกว่าเอ่อถ้าเราคิดว่าเราอ่ะจะรอดูค่ะพระอาจารย์มันมันไม่มีความพอหรอ พเพราะว่าพอได้เท่านี้เราก็จะอยากไปเรื่อยๆรู้ mm hmm. รก็เออพระอาจารย์บอกให้บอนไซ mm hmm. แล้วก็คิดพิดจารณาว่า mm hmm. สุดท้ายอะคะ่ะเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ mm hmm. อันไหนที่เราอันนั้นเราก็ต้องแบ่งปันคือช่วยเหลืออย่างน้องลูกลูกก็ช่วยเหอือ mm hmm. เออให้แบบเราไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเก็บไว้มากคนไหนที่อันนั้นคือเราสามารถเผื่อแผ่ได้ก็เผื่อแผ่ไปอย่างนั้นนะคะอาจารย์ ก็ <G TA> <ม>ทำตามพระอาจารย์ใช่อย่าให้มีเงินมากเกินไปใช่ลูกลเอาอย่พ อ, ยกบบอกินก็บอมีมากก็เอาไปทําบุญทําทานแทนอ่าแฟนตอนแรกเขาก็หน้าแบบตกใจแล้วลูกก็ฟังฟังที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าสมมติ ว, ว่าเราจะให้ต้องรีบให้ไม่งั้นเราจะมีกิเลสไม่อยากให้ลูกกับบิวก็ใหญ่เลยเออแล้วเขาก็เออเออลูกวะไม่เป็นไรถ้าเจอแบบนั้น จเจออัปปังมาแล้วก็จัดการลุ้มขึ้นก็รีบออกไปบริจาคค่ะอัอาาปปะจาร์ก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์นะคะสาจาคุณหมอภาสนะเป็นยังไงคุณหมอค่ะก่อนน้ำมศการค่ะพระอาจารย์ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์สงบแล้วก็สบายคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็พี่หนุ่มฝากบอกว่าเนี่ยคะ่ะที่ไป ไปวันพระแล้วก็ไปนั่งทั้งวันเนี่ยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าฟังพระอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับพระอาจารย์ส่งพลังมาแล้วแกก็เลยนั่งได้ลึกขึ้นลึกขึ้นนะพระอาจารย์ก็ฝักไม่ยองเข้าฝักบอกค่ะ้ีส่วนอีกคนก็ชอบค่ะพระอาจารย์ก็คือทําเหตุค่ะพอเสียงพระอาจารย์มาก็ทําเหตุเลยคือแบบลงเร็วมั่งช้ามั้งไม่เป็นไรก็คือมันก็ก็คือคอยู่ที่เหตุอยู่ที่เหตุใช่ค่ะก็เดี๋ยวดีมันก็ลงเร็วถ้าเไม่เดีมันก็ลงช้าลงยาก แต่ส่วนใหญ่ถ้ไปยี่นูลงเร็วเลยเพราะเพราะว่ามันทั้งมันทํามาตั้งตั้งแต่ทามาตลอดแล้วก็ฟังเสียงพระอาจารย์ด้วยค่ะเสียงพระอาจารย์โอเคแล้ปฏิบัติเรื่อยๆต่อๆนะคะเดี๋ยววันลเรยก็จะถึงจดหมายปทางจะทาไม่ไม่เลิกเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันพุธวันพุธใหม่ค่ะพระอาจารย์พุดหน้าค่ะคุณวิไลพรยิมยองยิ้งน้อมกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่ค่ะทุกเช้าเมื่อเร็วๆนี้ก็โยมมีความสึกว่าโยมนั่งสมาธิแล้วพอลมหายแล้วแบบเราก็รู้ว่าหายแล้วมันก็หายนานมากพระอาจารย์แล้วมันก็สงบสงบแล้วมันสึกว่ามันสงบมากๆมันมันมันสบายแล้วมันมันสงบมันสบายมากเลยพระอาจารย์แล้วเราก็รู้อยู่ว่ามันว่ามันสงบลมหายได้เขาเรียกว่าผู้รู้ปะคะพระอาจารย์คือตัวรู้คือตัวรู้จิตรู้จิตอย่างนี้ปะคะ คือรู้ว่ามันสงบมันสงบมันสบายมันสบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นลมมันก็หายมันคือเราเห็นชัดเลยพระอาจารย์ว่าว่าลมมันหายมันสงบคือมันชัดเจนมากเลยพระอาจารย์สบายขอให้เรารู้เฉยๆไปท่านไม่ต้องไปสนใจมันเป็นยังไงนะสบายมากพระอาจารย์แล้วสักพักหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมก็ดูอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็ไม่ไม่ไม่ ไม่ไปถึงไหนก็อยู่อย่างนี้ยตลอดเลยพระอาจารย์ได้ไหมกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าออกมาแล้วกลับเข้าใหม่ดูลมใหม่ใช่ค่ะมันต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยค่ะพระอาจารย์มันมันจะก้าวข้ามไปไหมไหมคะมันอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดเลยพระอาจารย์มันติดอยู่ตรงเนี้เจ้าค่ะหรือว่าก็เกอมันก็มันก็ถึงจุดหมายปลายทางมันมันก็มันก็พอมันสงบมันว่างสงกมันว่างว่างมากก็จะสบายก็ได้มันว่างไปแล้วนาน ทำมันออกมาแล้วเอากลับเข้าไปใหม่ใช่ค่ะโยมก็อยู่อย่างเงี้ย อ, อยู่ไปมาๆอยู่สมาธิก็ไปแค่นี้หนะจะไปใกล้กว่านี้ก็ต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องสอนใจให้ปล่อยร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายค่ะอาจารย์แต่รู้แต่ว่าตอนหลังหลังซัวมันเด่นมันชัดมากเจ้าค่ะจากเมื่อก่อนแล้วแค่แวบบัแบๆบตอนหลังสัวมันมันชัดมันเห็นชัดเลยเจ้าค่ะเพราะารยตอนเนี้ย ยงเพิ่งรู้ความในใจของสามีค่ะเหมือนกับว่าพอช่วงเราเราเดินมาทางเนี้ยพระอาจารย์เหมือนกับกิจกรรมแล้วก็ก็จะสวนส่วนทางกันแล้วอะค่ะพระอาจารย์คือเขาก็ปาร์ตี้ของเขาเขาก็ดูหนังฟังเพลงแต่พอเราพอเราก็ไปทําบุญพอมืดเราก็ขึ้นข้างบนแล้วเราก็ไม่ได้มาดูหนังคือกิจกรรมมันเหมือนกับคือมันเดินกันคนละอย่างพระอาจารย์แล้วเขาก็พูดมาบอกว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราห่างกันขึ้นเรื่อยๆไปคะพระอาจารย์ ทำกิกนินอย่างทำกิจกรรมคนละอย่างนะใช่ค่ะคนละอย่างจริงๆพระอาจารย์เขาเขาไปข้างนอกแล้วเข้าข้างในใช่เจ้าค่ะแล้วเขา้ข า, ไ า, ขาไปหาลูกเสียงดินแล้วเราเข้าไปหาความสงบกัอะไรไม่คนละทีมันสบายจริงๆอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาต่อไปเข้าต้องข อ, อยาใช่ไหมเตรียมตัวเตรียตัวแล้วก็เอี่ยเขาจะเขาจะทนอยู่กับเราไม่ได้อยูย่กับแม่ชีก็อยู่ใช่ไหม อืมใช่เลยค่ะเพราะจะต้ออย่างงั้นเลยไม่รู้ว่าทุกคนที่เดินมาสายปฏิบัติอ่ะใได้นที่เือก็ต้องแยกทางกันทั้งต้องอยู่คนเดียวสายปฏิบัติเนี่ยถ้าถ้าเขารับเราได้ใช่ไหมคะไม่รู้เขาจะรับเราทําไมเมื่อเราเมื่อเรามื่อเราไม่มีประโยชน์กับเขา้เขาก็ย้อยเรทิ้งเขาไปเปิดใจเขาเมื่อเมื่อสองวันตอนนั่งรถกลับมาค่ะเราแบบก็เปิดใจคุยค่ะว่าจะเราเราอ๋อแบบเดี๋ยวก็ยังปรึกษากับพี่สาวบอ มันเดินคนละอย่างต้องปรึกษากับเพื่อนเลยค่ะแต่เพื่อนนะ่ะเขาเป็นผู้ชายเขาก็สลับกันคือแฟนเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เขาก็แบบน้อยใจที่แฟนเขาผู้ชายอะ่ะเหมือนกันทำบุญเข้าวัดเขาก็หน่อยทะเลาะ ก, กันแต่ตัวโยมอะ่ะโยมเป็นผู้หญิงผู้สาวไปโยกแ ฟ, น, <laughs> เกฟนเราให้โยกแฟนเอาให้เขาไปอันนี้มันยังปงไม่ได้เพราะจั น, นอาจจะปงไม่ได้เดี๋ยวเยจุดเสียของโยมหยิ่คือตรงนี้ที่เคยกลับเรียนพาอาจารยก็เราไม่ทําหน้าที่ของเราแล้วก็ต้อง ใช่พระอาจารยโยมเราจะยกมายกต่อไปเขาเข้าไปเองถ้เราไม่ทำได้ใช่ไหมคะโยมคิดอยู่เหมือนกันเพราะทุกวันเวลาเขาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาก็จะมีเด็กเอ็นอะพระอาจารย์เด็กที่แบบสายเข า, เขาว่าเขาพอสมมติว่าโยมโยมไปหัวหินกันใช่ไหมคะโยมก็จะอยู่กันสองคนป้าหัวหินที่โยมสร้างบ้านมันก็คือสงบเงียบแล้วก็เป็นที่แบบปิดเว้สงบจริงๆอะคะ่ะแล้วพอเวลาเรากลับมากรุงเทพแบบเพื่อนเขาอะก็ต่อคิวเลยค่ะ แยกเขาทุกท่วนท่วนทุกท่ว น, นเขาก็ออกทุกเรียน็นทกเรียน็นทุกเยน็นทเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วประเภทเขาก็มีเพื่อนเยอะแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็บางกลุ่มก็โอเคดีบางกลุ่มก็ประเภทมีครอบครัวแล้วแต่จะมีเด็กเอเนี้ยตลอดเลยแล้วเยวมก็คิดว่าวันหนึ่งเขาไปเจอบ่อยๆ่อยบ่อยบจากคนที่ไม่บอกว่าไม่มีไม่มีเยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่มีแล้วด้วยตัวเราอะเดินมาทางนี้แล้วเราก็ไม่ได้ว่าเอาใจบริการเขาเต็มที่เหมือนเดิมนะคะอาจารย์คือเราก็แบบ เราลองทําใจแล้วเนี่ยล่ะค่ะอนี่แหละค่ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นข้อสอบที่โยมจะต้องเนี่ยคือข้อสอบทําไม่ได้ยังทําไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ทําไม่ได้พระอาจารย์ค่ะยังไม่ยอมเสียเขาทั้งที่ไม่ได้ใช้เขาแล้วก็ยังยังเก็บไว้ดูแน่นนี้นั่นแหละพระอาจารย์คือข้อสอบที่โยมทํายากมากมากๆมากๆเลยค่ะพระอาจารย์โยมจะต้องปฏิบัติใหม่จนกว่าวันหนึ่งโยมก็ไม่รู้จะ จะยังไงแต่แต่โยมก็คิดจะถามพระอาจารย์ว่าเราก็ต้องดึงกลับมาไหมเนี่ไม่ไมปไปเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็ไปเองอ่ะถ้าเราทําตัวแบบนี้เขาก็ไม่รู้เราจะอยู่ยกับเราไปทําไมไมันเหมือนเราเป็นคนเย็ยนชาพระอาจารย์อ่าเป็นคนเราใช่ไ ม, ไม่ได้ทํากิจร่วมกันนะแล้วใช่เราเราอยู่ไันด้วยกันทําไมแต่บางเป็นบางวันโยมก็ไปอยากเอาใจนะพระอาจารย์แบบไปดูหนังเขาเนี้ยค่ะจะพัง มันก็เฟินมันก็เฟินเราก็บายบายไปนอนแล้วเราก็มมีความสุขใช่ค่ะเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยตอนนี้กาลังเจอแบบนี้อยู่เจ้ค่ะเพิ่งรู้ความในใจเขาเมื่อสามวันนี้เองค่ะค่ะเดิมก็อืมอืมก็ต้องฝึกต่อพระอาจารย์พจานาเรามีการผาตาดจากกันเป็นธรรมดาอันนี้พระสอบงงพ้นไปไม่ได้ใช่ค่ะมจากเป็นก็จากตาย ใช่ค่ะเป็นโยมที่โยมต้องฝึกอันนี้ อ, นอันอื่นโยมแทบผ่านกับจะหมดแล้วบรรทั้งชีวิตตัวเองทั้งลูกทั้งหลานเรียกว่าผ่านได้ค่อนข้างเยอ ะ, อะเจอข้อสอบมาค่อนข้างเยอะแต่อันนี้บอกเลยว่าสอบตกพระอาจารย์มีทุกข์แต่บัญญา ย, ยังไม่เกิดอืใช่ค่ะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นอนะันนี้จังมันยังไม่เจอข้อสอบจริงๆพระอาจารย์จโยมคิดว่าะนะคะมันก็ใกล้แล้วแหละเพียงแต่ถ้าตอนนี้ทุกข์ก็สแสดงว่าเริ่ม ยอมไกลของจริงเข้าไปแล้วนะใช่ยอมคิดว่าอย่างนั้นยอมจะพัฒนาต่อพยายามทำใจเรื่อยๆเนาะค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อค่ะพยายามรับถ้ายามรับแล้วก็หายทุกถ้ายังไม่ยอมรับก็มันก็จะทุกไปเรื่อยๆแต่ยอมก็ยอมรับแต่เพียงแต่ยอมไม่รู้จะทําตัวยังไง่ะค่ะว่าจะกลับไปไหมหรือไปครึ่งๆไหมหรือว่าพยายามรับจะยอมรับจะกลับไปทําไมเนะี่ยใช่ใช่ไหม ยมันยังไม่ยอมนะมันวิตคารวะอ่ะมันเครื่องกลางกเครื่องกลางๆลางสามีสีมันค่ายใช่โยมอ่ะเจอหลวงปู่ค่าดอ่ะค่ะท่านก็พูดมาคำเดียว่ามันต้องทิ้งอมโยมก็ไม่ได้ถามอะไรท่านนะคะท่านมองหน้าแล้วท่านบอกว่ามันต้องทิ้งมันต้องตัดโยมก็ไม่ได้พูดเลยต่ออนี่แหละนี่แหละค่ะพระอาจารย์โยมเนี่ยไม่ได้ผลลุกเลยพระอาจารย์ก็คือมีสวยมา การปฏิบัติของเรามีกําลังพอที่จะตัดหรือยังยังเจ้ค่ะอ่ายัง okay. ก็ปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะยมกําลังฝึดอยู่ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะยมเห็นหน้าพระอาจารย์ทุกวันเลยยมขับรถแล้วยมมีมีสติกเกอร์ของพระอาจารย์ยมต้องขอบพระคุณคนที่ให้สติกเกอร์พระอาจารย์มายมรู้สึกอุ่นใจมากเลยครัเวลายมขับรถแล้วก็ยมก็ฟังเทศพระอาจารย์แล้วยมก็ได้เห็นพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะะจสาธุค่ะพระอาจารย์ อือไอ้ที่คุณอาจารย์สุภัสตาแค่นี้ได้ตำแหน่งอาจารย์ได้ยังนึกกลับมาสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะไปเราจเจ้าค่ะเรื่องอะไรก็ได้เจ้าค่ะเมื่อกี้ฟังโยมอย่งแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเองก็ก็จริงก็ใช่แต่เขาก็ไปเองของเราขอเราเกิดขึ้นนะใช่ไหม เรื่องนี่บอกว่าอาจารย์เรื่องร้อยมาเจ้าค่ะเพราะว่า <ừ m. S 2> เขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกไปลูกเอ่อลูกอ่ะล้าแต่เขายังอยากอ <ừ m. S 2> มันไปได้วยกันไม่ได้ ไ, ได้ <c oughs> ใช่คนลทางนะแล้ววันหนึ่งเขาก็เขาเข้าไปของเขา <ừ m. S 2> หน้าที่ของเราก็คือที่พระอาจารย์สอนก็คือก็ก็ต้องทก็ต้องหยอม เ, เขาเข้าไปเข้าไปแล้วมัน <ไป S 1> แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปน ทางใครทางมันนะใช่ค่ะอย่ามองหันหลังกลับไปอดีตผ่านไปนะมองไปข้างหน้าความสง บ, บเราเราอยู่ควะมิสระเราเราอยู่การนูดพ้นจากความทุกข์เราเราอยู่มองไปข้างหน้าอย่าไป ม, มองไปข้างหลังข้างหลังมีแต่ทุกข์ใช่ค่ะ ใช่เลยเจ้าค่ะก็ไม่ไม่คิดว่าวันนั้นไม่คิดว่าจะเกิดสุดท้ายก็คือพอถึงจุดหนึ่งเขาก็อย่างที่พระอาจารย์บอกเขาก็จะไปของเขาเองอ่ะเจ้าค่ะเขาก็จะไปของเขาเองใช่เขาก็รู้เขารู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นแหละคนอยู่ด้วยกันได้ว่ามันทำสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ใช่ไหมถ้ามัสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เขาเขาไม่รู้จะอยู่ด้วยกันไปทําไม ใช่เจ้าค่ะเขาบอกว่าลูกโคลูกลูกค่อนข้างจะเยนชาเย็นชาเ<ะ>ย็นช า, นชาใช่คนะ่ะเขามองว่าเป็นเย็นชาเจ้าค่ะแล้วูกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ในเมื่อเขาเข า, เขาเลือกที่จะไปก็ลูกก็ให้เขาไปเจ้าค่ะแล้วยินดีกับกับเขาแล้วท <laughs> ุกข์หรือเปล่าไม่ทุกข์นะเวลาเขาไป คือเรื่องเกิดตั้งเดือนมิถุนาปีที่แล้วอะเจ้าค่ะก็ลูกใช้เวลาประมาณประมาณเกือบสี่ถึงห้าเดือนเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมายีเกือบยี่สิบสามปีเจ้าค่ะอเกือบยี่สิบสามปีลูกเอ่อลูกใช้เวลาลูกทราบเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วแล้วก็ทําใจคือทําใจได้คือวันหนึ่งที่ลูกฟังพระอาจารย์ พระอาจารย์เทศคือฟังพระอาจารย์เทศก็เหมือนกับว่าคือเมื่อก่อนฟังแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าเราอ่ะสบายอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอเจอเข้าจริงๆก็หนักหนักพอควรแล้วก็ใช้เวลาเกือบสิน้นถึงสิ้นปีเจ้าค่ะที่ลูกปล่อยอพอมันปล่อยปล่อยปุ๊บมันก็มันก็สบายอันก็เบาเลยมันก็โล่งเลย <laughs> มันก็เมาขนาดลูกว่าลูกก็ลูกคิดว่าลูกปฏิบัติช่วงนั้น ท, ที่อยู่ที่เท็กซัสปฏิบัติหนักพอควรก็เซ่เจ้าค่ะเซ่มากๆเลยเซ่อยู่หลายเดือนเจ้าค่ะหลายเดือนพอควรเลย เ, เ, ย, เยังไม่เจอข้อสอบจริงใช่เจ้า<ม>ใช่จ้าค่ะปัญญาปัญญาไม่ใช่ปัญญาจริงใช่จ้าค่ะสมามสมาธ ช่วยให้ใจสงบแต่ไม่ช่วยให้นนไม่ช่วยให้เขาใช่เจ้าค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งพอพอปัญญามันเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยแล้วมันก็สบายเจ้าค่ะสบายมากๆแล้วลูกก็บอกเขาเองว่าขอให้เราได้อยากกันเดือนพฤษภาที่ที่มาถึงเขาก็ก็ลูกอยากให้เขาไปในทางที่เขาอยากไปเจ้าค่ะลูกก็สบายใจ ตอนนี้เรียบร้อยละตอนนี้เรียบร้อยละทางกาทางมันไปละใช่เจ้าค่ะทางกายทางมันลูกรู้สึกสบายใช่ไหมเป็นสุขละมีความสุขมากเจ้าค่ะดีมีความสุขมากเจ้าค่ะแล้วก็เข้าใจถึงคำว่าคาว่าทุกทุก ข, ของการพัดผ่าแล้วก็เราอยู่ด้วยกันยี่สิบสามปีอยู่ด้วยกันมาตลอดอ ม, มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่า มันก็จบอย่างสบายใจเราก็เป็นตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีมีตรภาพที่ดีเราก็ยังคุยกันเพียงแต่เราเปลี่ยนสถานะบทบาทเจ้าค่ะใช่เป็นทางนั้นแล้วเนี่ค่ะนี่ก็เป็นเพราะธรรมะที่เราได้ปฏิบัติมานะช่วยทำให้ใจเราเย็นใจเราไม่วมุนวายดีแต่วก็ใช้เวลาเกือบสี่เดือนหกเดือนใช่เจ้าค่ะ เซ่เจ้าค่ะเซ่ยอมรับเลยว่าเซ่เซ่จริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะจะถึงวันนี้แล้วไม่ไม่คิดว่าการพัดภาพมันเจ็บปวดได้ขนาดนี้ได้แต่ฟังแต่พอไม่ได้เจอข้อสอบเราไม่รู้แล้วเจ้าค่ะพอเจอเจอข้อสอบแล้วเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเจ้าคะ่ะถ้าไม่ได้คําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ลูกคิดว่าลูกคงยืนไม่ได้เจ้าคะ่ะลูกคงคิดว่าคงจะรับไม่ได้แต่ว่าเพราะคําสั่งสอนของพระอาจารย์ที่สอนให้ลูกปฏิบัติ แล้วใช้ปัญญามันตัดได้เร็วเจ้าคะ่ะตัดรู้หัวได้เร็วมากเลยสี่เดือนสำหรับยี่สิบสามปีอนีมันน่าจะสีชั่วโมงก็น่าจะตัดได้นะใช้เวลาใช่ไหรู้สี่นาทขีขอสักขอสักสี่เดือน้เอจไม่สี่ปีก็เป็นคนล้วเจ้าค่ะโอเคดีไมยิมได้เจ้าคะ่ะ่<ม>แ้ ตอนนี้แผลหายแล้วแผลแผใจหายแล้วนะมาเจ้าค่ะมาเจ้าค่ะอาจารย์ประกาบขอบพระคุณด้วยค่ะดีใจด้วยโอเคไปที่คุณตายต่อคุณตายพร้อมจะตัดได้ยังลองแล่นวในมัสการค่ัอาจารย์ก็ ตอนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนคนะพระอาจารย์กเ็เวลาเขาไม่สมายต อ, ตอนที่เขาไม่สมายนี่เครียดไหมอ๋อเครียดค่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> แต่ก็ถ้าซ้อมจะไปหรือว่าเราจะไปก็คิดว่ารับได้ค่ะพระอาจารย์ <laughs> ตอนตอนที่ไม่ได้ฟังธรรม่าะอาจารย์เนะีะยยมคิดว่าเออยังไงก็ถ้าเขาตายนี่ยมถ้าจะตายตามแน่ๆเลยค่ะพระอาจารย์ แต่ตอนนี้ก็อ<ม>ถ้าใครตายก่อนก็ัวใครโวมาใช่ค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่เราก็ทาบุญพร้อมๆกันไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเ<ม>ขาบอกว่าอย่าเจอกันเลยชาติเดียวก็พอแล้วเขาบอกคอาจารย์<ม>แต่ก็ยมก็ช่วงนี้ไม่ได้ปฏิบัติค่ะะอาจารย์ก็ยังวุ่นวายกับทางโลกอยู่ ยมก็มาหากินอยู่นะช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ตั้งมีเป้าหมายไว้อยู่ค่ะอีกสักพักอีกสักพักหนึ่งรอลูกกลับมาค่ะพระอาจารย์แล้วเขาไม่กลับจริงยมก็ปิดร้านเอาอตอนนี้หาเรื่องให้ตัวเองไปก่อนนะอแล้วก็บ้านพนะันธผ้าเนี่ยยมก็คิดในใจนะคะพระอาจารย์ยมยมจะไปที่หน้าปกติดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดแล้วก็ ทิ้งทิ้งน้ำไปเลยแต่ในใจอีกอันหนึ่งก็บอกว่าจะทิ้งไปได้ยังไงแล้วใครจะมาดูอย่างนี้อถ้าเราไปจริงๆนี่มันเป็นกิเลสขี้เกียจของเราหรือเปล่าพระอาจารย์ขี้เกียจอะไรขี้เกียจทำงานนะคะพระอาจารย์เอาขี้เกียจทางานดีมันไม่เป็นกิเลสหรอกขี้เกียจปฏิบัติไม่ดีอ๋อค่ะย่อมไม่มาถ้าเกยถ้าขี้เกียจรับใช้กิเลสเนั่นดี ค่ะยมเพราะว่าวันพรนะเนี่ยยมเอ๊จะทิ้งร้านไปเลยได้ไหมเพราะว่าต้องทาตามพระเจ้าบอกวัวนพระให้หยุดปิดงานปิดร้านวันหนึ่งวันอ่ามาหามาหาสติแทนอยาหาสตังค์อ่าก็ เ, เลยว่าเอ๊ะเอาไงดีเนะาะเพราะว่ายมรู้สึกว่ายมไม่ได้ไปบ้านแล้วมันรู้สึกมันมันเหมอนะือนไม่ได้ชาพลังเอาค่ะพระอาจารย์ใช่ ใช่ค่ะยอมยอมรู้สึกว่าถ้าเราได้นั่งฟังแค่ฟังทำหรือว่านั่งทําสมาธิเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีพลังกายพลังใจขึ้นมาเลยมันมันอย่างน้อย ก, ก็ตอบโจทย์ตอบใจตัวเองอะค่ะพระอาจารย์อ่าเดือนสติแล้วด้วยบางทีเราพังเผยลืมไป่รอฟังเทศฟังธรรมันก็จะได้จดจําโอ้เราอยู่ไม่นานนะใช่ค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์เข้ามากระพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังธรรมค่ะสาธุจ่าค่ะพรอาจารย์คุณนิสาต่อโอ้ยคุณนิสาอยู่ทําการเ <c oughs> หตุการณ์ใหญ่โตนานๆจะเกิดขึ้นททีนะเหตุการณ์นี้ค่ะน้องกลับในวัสนการค่ะพระอาจารย์ก็ที่แถวดาวเทาค่ะพระอาจารย์ตัวนี้ก็ ม, มีเคอร์ฟิลล์ค่ะพระอาจารย์อืม ค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แอเรียที่ลูกอยู่นะคะแค่ทวงน่าจะเป็นตรงนั้นนะคะอาจารย์ท่านั้นเปนใกล้เอสแอลเอ้ด้วยใช่ไหมค่ะค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ตรงจุดดาวเทาเลยะคะ<ม>่ะ พ, พระอาจารย์เขาก็ท้วงกันตรงนั้นนะคะพรอาจารย์ก็นานๆจะเกิดแต่ก็เคยเกิดครั้งหนึ่งแล้วนะคะพระอาจารย์ตอนที่จอร์จฟลอยค่ะพรอาจารย์จอร์จฟลอยค่ะตรงนั้นตอนนั้นเป็นเคิร<ม>์ฟิลแถวซานตามานิกาค่ะพระอาจารย์ ตอนนั้นลูกยังมีร้านอยู่ค่ะพระอาจารย์ตรงสันเดร์บีการ์ดเจอร์เคิฟิลร้านปิดไปก็หลายวันน ะ, ะก็มีทุกขจักรที่ร้านก็โดนค่ะพระอาจารย์โดนทั้งแถบเลยค่ะอาจารย์อืมค่ะก็ตามธรรมดาเรื่องของโลกค่ะมีรักมีชังมีกลัวมีหลงค่ะพระอาจารย์ก็ก็มันก็เป็นเรื่องของโลกที่เขาอื มีแต่ความอยากค่ะอาจารย์ใช่ไม่มีทำอะไ ร, รมไม่ยอมกันกเลยค่ะก็สำสำหรับลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วอาจาจะมีมีแบบจิตกระเพื่องนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็ มันออพอดีมีเพื่อนที่แบบสนิทกันแล้วก็เสียกระทันหันนะคะอาจารย์ทำให้แบบลูกลืมกดไตลักไปชั่วขณะไปสักพักนะคะะอาจารย์ค่ะก็ตอนสุดท้ายก็มาคิดได้ว่าเออเราลืมเราเราน่าจะนึกถึงเรื่องเราลืมเรื่องกดไตลักไปอันนี้จังทุกขงังอนตตาไปนะคะพระอาจารย์เรื่องการพัดภาพทั้งท้ ง, ท, งที่แบบ ก็ท่องทุกก็คือนึกตลอดเวลาค่ะนึกทุกวันแม่ไม่จดไม่จําทั้นค่ะอาจารย์ค่ะคือบางทีมันคือบางครั้งมันนึกได้แต่พอเจอข้อสอบเราก็มีมีนิดนึงนะคะที่แบบเกิดความเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์นั่นจะแสดงมันจะได้บอกแล้วว่าปัญญาเราเป็นปัญญาจริงหรือไม่นะถ้าเป็นปัญญาจริงเราต้องไม่รู้สึกทุกข์กับมันเลยค่ะพระอาจารย์ คือมันมันมันเวลารู้ข่าวก็คือรู้แบบแบบเออรู้แล้วก็ทําได้แต่แบบอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันไม่ทันทีอะค่ะพระอาจารย์อืมอืมก็ต้องปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะพรอาจารย์สาธุสาธุค่ะคุณแนนอุดรไม่มีคําถามอะไร ค่ะน้อกอาญมัสสแกนเธอค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำพูดด้วยไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังวันเยอะเหลือเกินจ้ะค่ะเะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณชานีต่ อ, อา ก, กานมัสสากพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามยังถือศีลแป่แล้วก็จเจริญสติเหมือนเดิมค่ะโอเคไปที่เดวิกับยินดี มองจูกำลังทั u วไปบังสังเทแม่ซีโบโกไม่ w o r c i a u c o นี้ไม่ทำงานวันนี้ปพักหลอนครับพัก่อนเลย h เลยพักหลอนักอน่าตอนนี้ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่นะใช่ครับอยู่ที่บ้านแม่ค่ะท่านอาจารย์คุณแม่สบายดี สบายครับอืมสบายนี่ดีใจไหมที่ได้เห็นลูกชายดีทว่าใจครับแล้วเมื่อไหร่จะได้วีซา่ารู้ไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะท่านอาจารย์ก็รอร อ, ออยู่เนี่ยคะ่ะรอดูรออยู่ค่ะรอพาสป อ, อร์ตอยู่ค่ะท่านอาจารย์เขายังไม่ส่งท่าอาจารย์อืก็ช่วงนี้เขาเข้มงวดมากนะเรื่องวีซ่าเนี่ ใช่ครับใช่จ้า ม, ม, มีอะไรไม่เดวิดไม่มีอะไรครับ<ม>บนสองเดีอนนั้นโอเคกูต์ทอูเขาก็ก็ยังดีใจค่ะเพราะาตอนเวลามาอยู่อย่างนี้ <laughs> เขาอยู่กับแม่เขาเวลาปกติเนี่ยถ้าเกิดมาในรักษณะแบบเนี้ยคือช่วงกลางคืนเนี่ยแบบช่วงเวลานั้นเขาก็จะดูดูอยู่กับแม่เขาแล้วก็คือดูหนังก็คือ อยู่กับแม่เขาอะค่ะท่านอาจารย์แต่พอคราวนี้เขาเขาเขาก็เขาก็ทิ้งอ่ะค่ะเขาแล้วเขาก็ขึ้นมาเขารู้เขารู้หน้าที่เขาว่าเขาจะต้องนั่งสมาธิขึ้นชั่วโมงมาทำอะไรด้วย่านอยก็ก็โอเคค่ะก็ยังก็ก็ยังไม่ต้องตัดกันคราวนี้ค่ะนะอาจารย์อยู่โอเคอยู่กใจันได้แล้วก็ปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าไปด้วยกันได้ ก็ยั <kę> งดีค่ะก็คือคือยังไม่ได้โทวนกระแสซึ่งกันและกันยังไม่ได้สวนทางกันค่ะว่า ก, <Okay. S 1> ก็โอเคค่ะท่านอาจารย์หนูก็ดีใจด้วยค่ะท่านอาจารย์ที่เข้ามาในลักษณะนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าต่อไปเราก็จะไม่ได้ไปต้องห่วงเขาในกรณี<ม>ถ้าเกิดสมูงวันหนึ่งที่เราจะต้องพัดพาจากกัน <Okay. S 1> วันใดวันหนึ่งมก็ <Okay. S 1> ไม่เที่ยงอ่ะอาจารย์ มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนต้องการจากกันนี้ตอนที่ว่าเวลาแม่จากไปที่หนูเสียใจทุกวันนี้ก็คือตอนที่แม่ก็จากแม่ก็ยังไม่ได้มาเรื่องการปฏิบัติอะคะ่ะอาจารย์ตรงนี้แต่นี้คือเดวิดคือหุูก็ยังดีใจตรงที่ว่าเดวิดเข้ามายังยังยังเริ่มเข้ามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับตัวเขาเองนี่มากแล้วรูกค่ะรู้จักละเขาก็ทิ้งเขาก็เขาก็บอกแม่เขาว่า เขานั่ง <Display> น <grateful> <offs> ั่งคือแม่เขาคงงงเหมือนกันนะคะว่าคราวนี้มันเป็นอะไรเป็นว่าแบบสอบพอประมาณสามทุ่มเดบี้บอกว่าบอลนุยแล้วก็ขึ้นมาแม่บอกไปหอแม่ไปแล้วแม่เไปแล้วนี่ค่อยเจอกันนะเดบย้ก็วุ่นเงีย แต่มันก็คือทําให้หนูมองถึงสภาพที่ว่าคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายจริงๆค่ะท่านอาจารย์คือท่านแก่ลงไงค่ะท่านอาจารย์ทําให้เราได้มองเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยนะมันมั น, ม, นมันก็เป็นอย่างนี้เนาะมนไม้ไม้เนี่ยไม้ไม้ไมันต้นไม้ตอนก็เขียวใช่แต่มันก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ําตาลแล้วก็โล่งลงไปน้ำตาลคนเราแต่มาความเนี้ยค่ะ ได้เริ่มเห็นได้มองเห็นมาค่าวก่อนก็ไม่ได้มองเห็นแต่มาค่าวเนี้ยเริ่มมองเห็นสัจธรร ม, มอะค่ะอาจารย์ยาคิดบ่อยๆมันใจจะได้ไม่ถืงนเต้นตกใจท่านาอน ะ, ะขอบคุณท่านอาจารย์จุขอให้ได้ิีซ่าเร็วๆนะเดี๋ยวไสวัสดีไปที่รักเสมอต่ออยู่ใกล้กันเลนี่ยรังสีก นมัรสการค่ะอาจารย์อยู่ใกล้ๆกันค่ะ ม, มีอะไรนหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์โยมก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมถือจินแปดศีลแปดมีเก้าข้อโยมก็ถือแปดข้อตอนกลางวันเนาะแต่ตอนกลางคืนโยมถือเก้าข้อเลยแล้วโยมก็สวดมนต์เหมือนเดิมณภาวนา โยมก็ไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าโยมเจอเรื่องอะไรที่มันประหลาดประหลาดแต่โยมก็ไม่ได้ว่าตัวอะไรหรอกเพราะว่าโยมไม่คิดว่าอมันอะไรมันไม่มีหรอกมันไม่มีอะไรหรอกใจเราปรุงแต่งเพลงใช่โยมก็คิดอย่างนั้นแหละโยมก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละค่ะผีจริงไม่หรอกผีเราไม่จริงมมันมันก็แบบกลางวันแล้วมันเหมือนกับ แต่แต่สิ่งที่โยมเอาชนะใจตัวโยมได้ก็คือว่าโยมเป็นคนกลัวผีทีนี้โยมรองทดสอบใจโยมว่าเฮ้ยเอาเราเอาดอกไม้เดินเข้าไปในสุสานี่อีกหนึ่งจะกลัวไหมเราจะโดนอะไรไหมแต่โยมก็ไม่ตอนที่โยมหาเข้ายมก็บอกว่าขอเข้ามาคือพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละโยมขอเข้ามาเขาว่าโยมมาดีนะแล้วก็โยมกาเอาบุญมาฝากแล้วบอกอย่าทำาโยมนะโยมมามาช่วยเฉย เออนละยอยมออกมายมก็รู้สึกสดชื่นเหมือนเขาอวยพรให้เราเหมือนเราเราก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนมันแปลกเฮ้ทุกทุ ก, ท, กทุกครั้งเราไม่ได้อย่างนี้เออเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกกลัวเลยแล้วก็ยอมทําให้ยมชนะใจโยมว่ายมเลดกลัวผีและวตอนเนี้ยยมก็ <c oughs> เจอเหตุการณ์หนึ่งซึ่งซึ่งยมไม่ได้ฝันกลางวันจิกแสงนี่แหละ โยมตยัดอ้ดอกไม้กิ่งดอกไม้นี่เมื่อวันก่อนวันพระโยมใช้กันไกลตัดนะน่ะแล้วโยมตัดข้าวเนื้อโยมเดือดมันออกอะ่ะพระจานทร์แล้วนะอยู่ๆโ ย, ยมติกําลังโยมก็ปวดเจ็บอ่ะมันเจ็บมันเจ็บเหมือนกับตอนที่โยมถูกหมอจี้ต่ที่การเนี่ยมันเจ็บแป๊บไปที่หัวใจเลยแล้วนะมันก็เจ็บแปบนะ๊บเนี่ยโยมเออหนุยเจ็บนะ่ะเจ็แต่โยมก็ไม่ได้ทําอะไรนู้ ต้องทำให้เสร็จก่อนทีว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะวันพระแนลอยมก็นึกในใจอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ยมจะไปเอายมเดินมาเนี่ยกําลังจะเดินมาจะไปกินยาแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเล็บมันเปิดแล้วเดี๋ยวจะไปเอายามาเอาผ้าอะไรมาพันพอพันก็ะดาดไปพันแล้วพบพบแกะออกมามันไม่มีเลือดมันไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยแผลยมเมื่อสงสัยยมก็เอานิ้วมาถูถูถูดูที่มันจะไม่ไม่มีอะไรมันก็มันก็แปลกเราก็ เราเป็นโรคประสาทเปล่าวะเราเราต้องไปหาหมอมั้งแหละอืมมดมะเราก็กลัวไงเพราะว่าเอ้ยเราคิดมากหรือเปล่าเราว่าเราไม่ได้คิดนี่เราเราไม่ได้หลับด้วยนี่อ่ะโยมก็เลยเฉยๆโยมก็ไม่มีอะไรโยมก็คิดว่าจิตโยมปรุงแต่งอะไรกันค่ะอาจารย์เอือใช่พิจารณาเป็นตายรักไว้เป็นอนิจจังไม่ที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปใช่โยมก็ไม่ มีแดนร่วงสุขภาพเนี่แหละแล้วก็โยมก็ต่อสู้กับตัวโยมว่าให้<ม>ให้โยมเอ่อออกจากเอะกิเลสมันให้ได้เพราะว่าโยมจะต้องมีความเพียรมากกว่านี้เพราะโยมไม่คิดว่าเดินทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกที่สุดทางพระพุทธเจ้าเพราะโยมไม่ไปทาํ<ม>ทาฐานโยมก็ขอคามเมตพระอาจารย์ช่วยโยมด้วยให้โยมออกจากไอไอความที่เกียดกับมันทั้งหลายเนี่มันที่มันมากั้นแก้งเนี่ย พบบางทีโยมก็เบื่อยมต่อสู้เนี่ยยมไม่มีปัญหาคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ไมดปมันไปนเฉยๆไ ป, ม, ปมันมาก็ไปมันมาก็ไปมันมามันห้ามมันไม่ได้อนี่ยช่วงนี้ยมสุขภาพไม่ค่อยดียมก็ต้องเพียรปฏิบัติให้หนักขึ้นเพราะว่ายมก็ไม่รู้ว่ายมจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่ายมก็ต้องเตรียมเวลาค่ะพยายามปฏิบัติให้มากๆนะ ใช่ค่ะโยมต้องต้องทำให้มากขอให้พระอาจารัดแขนแข็งแรงค่ะอ่าหายปวยหายกลัวค่ะหายปวดหวยหายกลัวเนาะก็ก็หายไปเยอะมากแล้วค่ะใด่หายไปแล้วก็ความสุขความเจริญให้นำให้รวยไปตลาดสาทีเจ้าค่อ่าไปที่คุณกอ์ฟ่อครับ ได้ยินไหมก็ครับพี่ได้ยินชัดครับอาจารย์อ่าไม่อย่างไรวันแกันเป็นสินหกครับตัวนังคาวสินเจ็ดแล้วก็มีสินแครับอ่าม้องค่อยเพิ่มไปทีละขั้นทีละข้อเลยเ อ, อดีก็ส่งกัรบ้านอาชุพะสอบอาชุพอพิจาราแนี้มันก็ มันไม่รังเกียวแล้วมันจะเห็นเป็นลนักษณะเป็นอะไรนะเป็นขลุ่ยเป็แก้วเป็นหมดอากาศนไม่หมาถึงว่าเราเห็นแล้วเราดึงแล้วมันไม่ได้ลังเกียจมันจะเห็นเป็นแก้วอะไรง่ายจนปกายพึกอะไรนะนั้นไม่ใช่สุภาแล้วอสุภ า, ภามันต้องเป็นอาการชั่กชีว ยนนึกนึันกลับมาที่อาการสามสิบสองอย่าไปดูไอ้ไอ้แก้วเกิอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรพี่เลยมันหลอกเราไปแล้วเราต้องการเห็นอาการสามสิบสองมันก็เลยดึงเราไปให้ไปดูแก้วแทนนห้มันเห็นเป็นสิ่งนั้นไม่ต้องให้มันไปตรงนั้นใช่ไหมครับอย่าตามมันถ้าเราพิจารณาสุภาก็ต้องอยู่กับสุภาเนี่แล้วก็หนุนดุสนะครับก็ได้รับ คอาเมตตาจากอาจารย์ประพาสที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตัสุราษฎรครับก็ทั้งตัวเมตตาเหมืที่อาจารย์บอกว่าเมื่อท่านเมตตาแล้วเราก็อยากไปให้จิตเยืจกเย็นขา้นครับแล้วก็เหมือนอาจารย์ประภาสนี่เหมือนแสงตะวันครับเพราะว่าเหมือนตอนอาจารย์มาในคืนเนึ่งอาจารย์เหมือนดวงจิตใจในความสว่างสว่างมาก ไหวาหายมกอหายตัวละครับอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคายที่คุณหนิงเต่าหนิงเต่ามัส ก, การครับพระอาจารย์เป็นยังไงปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ ก็ช่วงนี้ก็โอเคค่ะอาจารย์วันนี้มีสองคำถามคาม่ะอาจารย์คือคำถามแรกจะถามเกี่ยวกับบารามีสิบอะค่ะว่าอย่างพวกทานศีนิคมะปัญญาจนมาถึงตัวสุดท้ายอุเบขาค่ค ะ, คะที่แบ่งเป็นบารามีต้นบารามีกลางแล้วก็ปรรมะั้นบา ร, บารามีคือสูงสุดทีนี้ว่าการที่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือต้องต้องได้ทั้งบารามีสิบตัวใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นบารามีขั้นต้นก็พอใช่ไหมคะ คือมันก็ต้องมีตัวแรกก็คือสัจจะอธิษฐานต้องมีมาตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ไ่อยวางร่างกายให้ได้เมื่อมีแล้วเราก็มีความเพียรที่จะพิจารณาร่างกายห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็่วนให้บาปอื่นนี่มันเป็นมัน มันเป็นบ ร, ริเริ่มต้นเมตตาทานศีลเนี่ยเป็นบ ร, ริีตอนต้นถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องกลับไปเริ่มต้นสร้างมันขึ้นมาถ้าเรามีถ้าเราเข้ามาถึงขั้นขั้นขั้นสมาธิได้ขั้นอเบคาได้ขั้นเนคขมะได้เราก็แสดงว่าเราได้ผ่านขั้นเหล่านั้นมาแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามันจะมีอ่าสมมมันมีทานศีลแล้วก็มาในคขมะแล้วก็จะถึงไปปัญญาเจ้าคะ่ะทีนี้ว่า บางคนบอกว่าทานบารมีมันต้องทําให้เต็มที่ก่อนให้มันเต็มมันถึงจะศีลมันถึงจะงอกงามได้แบบบริสุทธิ์แล้วพอศีลอยสุดมันถึงจะสนับสนุนสมาธิให้มันได้แบบเป็นสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยค่ะไม่นนใช่ไงก็ต้อ ง, ท า, องทานก็ต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ทิ้งไว้ให้หมด <c oughs> จะได้ไปบวชได้พอบวชได้มันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้พร <c oughs> ะพุทธเจ้าสละราชสมบัติใช่เอม <c oughs> ทานบารมี เต็มน้อยก็คือมีเท่าไหร่ทิ้งหมดเลยไม่เอาอไปแม่แม่แต่บาทเดียวแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นปรมัดนะคะพระอาจารย์ก็นั <ไป S 1> ่นแลหละก็เหมื อ, อ, อนกันใครก็ต่างจะบรรลุธรรมก็ต้องปรามัด ท, ทั้งนั้น<อ>แหละถ้าอย่างเสียดาเงินทองอยู่ก็ไปบวชไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะต้องไม่เสียไม่เสียดายเรื่องทรัพย์สินสมบัติเจ้าของเงินทองก็ต้องฝึกสละไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะเออ เพิ่มเติมถ้าเรารู้ว่าเราไม่ต้องอาศัยมันแล้อยู่อยู่ได้โลยไม่ต้อไม่ต้องใช้เงินได้ก็ไปบวชได้บวชนะพระเาสาสินตอนน like ี้ย right ังเก็บเงินอยู่เลยครับระอาจารย์คือว่าเก็บไว้เพราะกแก่เดี๋ยวตายกลัวตายกลัวแก่แก่เอาเดี๋ยวไปไม่มีใครเลี้ยงทําไงก็ต้องเก็บไว้ค่ะระอาจารย์ถ้าเป็นโสดาบานก็ไม่กลัวแล้วเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา มันจะเป็นยังไงก็เลี้ยงมยันได้นเนี่ยเป็นิดว่ต้องแบบว่าให้ให้แบบให้ได้มากกว่า น, นี้ก่อนแล้วถึงจะปล่อยได้พ่อจ๋ายิ่งมากก็ยิ่งแสดงว่ายิ่งไม่ปล่อยหรยิงย่งยิงย่งยิ่งรักยิ่งห่วงหรือต้องพยายามใช้ปัญญาคิดไดเอาต้องต้องอย่าอาศัยเงินมันเนียเลดูร่างกายเลีงอยู่แบบขอทานไปมีตามเกิดไปอยู่ตามวัดข อ, ข, อข้าววัดกินขอว่า ความจริงก็ดีนะเพราจานลูกบอกว่าพเพราะลกว่าอ๋อแม่แก่ๆ แ, แม่จะไปอยู่วัดแทนดีๆดีผมเนก็จะได้ไม่ต้องให้เงินเดือนแม่อมันบอกดีๆ ด, ดีผมว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้แม่ผมไม่ต้องให้แม่แล้วมันบอกมันแค่มันก็นพูดไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาจริงๆมันจะเลี้ยงเราหรือเปล่ปาเราก็ไม่รู้อีกแกก็นั่นก็คือค่ะอย่าไปฟังพึ่งใครค่ะพึง่ง พึ่งการปฏิบัติของเราถ้าเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราไม่เดือดร้อนะความความเป็นความตายของร่างกายความปวดยาขาดแคลนมันไม่เป็นปัญหาขนาดนิดหน่อยโยยกระเพิ่มเโยยยังไม่ถึงขนาดเราก็ไอาจานนิดเดียวนิดเพิ่มไปกับเพื่มพยายามฝึกสติสมาธิให้มากมากก่อนค่ะพระอาจารย์ แล้วบรารมีสิทนี้ก็คือเกี่ยวกับการรักสังโยชน์ด้วยใช่ไหมนะคะมันสนับสนุนกันใช่ไหมครับเมื่อบรรยาเนี่ยมันตัวบรญญาญจะเป็นตัวละแต่ก็รอกษาสัยอุเบกขาเป็นตัวสนับสนุนอุเบกขาเราอาศัยเนคขมะเป็นตัวสนับสนุนเนคขมะก็ต้องอาศัยศีลเป็นตัวสนับสนุสนศีลก็ต้องอาศัยทานทานก็ต้องอาศัยเมตตามันเป็นขั้นบันไดนะคะ อันนี้เราต้องแบบพยายามทบทวนเรื่องบรารมีสิบแล้วก็เรื่องพวกเอ่อการปฏิบัติของเราเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตอนนี้เรามีเมตตาแล้ว<ม>แต่เรื่อยๆยังโกรธเกตียดคนนั่นันนี้อยู่เรื่องาให้อภัยได้หมดแล้วยังไม่หรอคะอาจ า, ารย์<ม>ยังกำลังทำต่อไป<ม>เราทำบุญทำทานได้ไหรือเปล่าเก็บไว้เฉพาะไว้สำหรับสิ่งที่จาเป็นเทั้น ไม่สะสมเท่าของเงินทองมีเวพออยู่พอกินก็พอคมีมากก็เอาไปทำบุญทำทานไปแล้ว ร, รักษาสินได้กันไหนแล้วฮะสินห้าได้ยังสินแปดได้ยังได้ขึ้นไปอลจรจ้ค่ะพระอาจารย์จะพยายามทบทวนตัวเองสม่าเสมอเจ้าค่ะกลับขอบกับคุณพระอาจารย์ค่ะอ่าาเ ไปที่คุณหมอสุธาธนีโลกไม่มีคำถามจ้ า, าท่านอาจารย์โอเคท่านอยูปฏิบัติอยูนะปฏิบัติทุกวันจะาคายางนี้ว่าท่าอย ค, คุณกายคุณมาริการายดาราที่ว่าเังไงคุณมริกามีอะไรไหมอาจารย์อาจารยอาจารย์ก็ ปฏิบัตจรนะคะพรอาจารย์ก็ได้รู้ถึงธรรมะเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อมาอยู่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องปกติและธรรมดาและเกิดขึ้นกับทุกคนเท่ากันนะจ๊ะอืออยู่เที่ยวยังทุกอยู่หรือเปล่าทุกับเขาอยู่หรือเปล่าทุกับร่างกายเราหรือเปล่าถ้าทุก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับว่ามันจะต้องแก่เจ็บตายค่ะพระอาจารย์ ลูก น, นั้นไม่มีคำถามถามที่นีอ่อันนี้แม่ลูกเ้าไปไหนกันไม่ทราบค่ะพรอาจารย์เพราะไม่ไาาติดต่ตอกันเลยอืมโอเคอยางนี้ไปที่คุณปูเป้ปปอนนปมันยังเคลียร์ไปเม่อตันดาวเข้ามาห้องซูมาเป็น <c oughs> จะชุบค่ะพระอาจารย์พอดีลูกสาวซื้อมาไม่ใช้หนูก็เลยใช้เป็นพี่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ แค่ไมันจะต่างดาวลงเข้ามาลำบากใช้ใช้คุ้มเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าะพอพูดเรื่องอ่าสามีภรรยาเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์สำหรับหนูก็สามีดีใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูบังคับเขามีลูกเองเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอหนูก็ปฏิบัติธรรมสามีหนูดีใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะเขาไม่ค่อยชอบทางกามอย่างเงี้ย ค่ะอาจารย์หนูก็เลย <Hey. S 2> อยู่กับเขาได้ไดแล้วหนูก็มาพิจารณอาอสุภะก็กลายเป็นว่าโอเคเขาเหมือนเขาลอดอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อ hmm. หนูก็เลยออกเขาอยู่กับหนูได้เขาดีใจเลยค่ะอาจารย์ที่หนูปฏิวัติธรรย่งนี้ยค่ะ uh, แล้วีอยู่แบบเป็นเพื่อนกันนะอยู่ไร<ช>ก็ได้หนูก็เลยแบบเออแล้วแล้วพอาจารย์คะพอดีหนูดีใจตรงที่ว่า หนูเป็นพยาบาลใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วหนูก็จะแบบดูแลทางด้านร่างกายเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเงี้ยค่ะแต่พอมาได้ฟังธรรมตรงที่ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวเนี่ยค่ะก็เลยเกิดคําถามที่ว่าการรักษาใจยาใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วทำมาโอษฐ์ที่ดูแลใจอาหารของใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โชคดีที่หนูได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้รู้ปฏิบัติแล้วก็ได้ตรงนี้ค่ะ ความสําคัญก็คือใจสําคัญกว่ากายอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันทําให้หนูแบบดตอนแรกที่ทานยามากๆแล้วเป็นหลายโรคค่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ทานยาแล้วหมอไม่ได้ออเดอร์สั่งยาค่ะก็เลยได้ไปทํางานได้ใช้ชีชชวิตได้ในแบจุบันค่ะพระอาจารย์หน้าตาหน้าตาดูดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะพระอาจารย์ฟังแต่ทําฟังทำอย่างเดียวเลยค่ะเป็นอาหารใจไปเลยค่ะพระอาจารย์ดี ไ, ได้ค<อ>รับปฏิบัติต่อไปนะโ้ขสารผู้อาวุคุณหมอหแพทย์รุ่งเรืองเชิญสวัสดีครับอาจารย์ อ, ยอบคุณอาจารยครับก็ปฏิบัติามาตลอดครับพระอาจารย์ตอนตั้งแต่เช้าวันที่พระอาจารย์บอกว่าตกิดขึ้นมาก็พุทโทรทั้งวันครับแล้วถ้าช่วงไหนใจไม่ค่อยสบายหรือมีเรื่องเยอะ ก็จะใช้สวดมนต์ยาวๆครับเหมือนที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าผมจะสวดบทยาวๆรำจักรกับเปลพระท่นานสาธุสวแล้วก็เข้าใจคำแปลด้วยครับแล้วพอมีเวลาก็จะนั่งสมาธิก็ชีวิตความอยากลดลงได้เยอะครับพระอาจารย์ลดลงบางอย่างบางบางเรื่องก็อย่างเรื่องพวกเงินทองพวกนี้ก็ลดลงไปได้เยอะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นเยอะครับพระอาจารย์ การนั่งสมาธิสองอาทีตที่ผ่านมาก็เริ่มสงบแล้วก็มากขึ้นครับอาจารย์ได้ถึงจุดที่จุดที่สงบครับอืมครับก็ในการปฏิบัติต่อไปปฏิบัติมากครับอาจารย์มีคําถามเลยมีคําถามหนึ่งคือว่าผมเป็นแพทย์่ะครับพระอาจารย์แล้วเวลาเราเจอคนไข้ที่เป็นคนไข้จิตเวชนะครับพระอาจารย์ที่เขาเป็นโรคจิตอนะครับทีนี้ยพอเราใช้คําว่าโรคจิต คนไข้เหล่าเนี้เขาก็จะไม่มีสตินะครับแล้วก็บางคนก็อย่างเช่นคนที่เป็นเ อ, อโรคบางโรคอย่างสกิทโชว์โรคที่มันความหวาดระแวงมีห uh huh. ูแววประสาทหลอนอะไรเงี้ยนะครับหรือบางโรคมีซึมเศร้าคนไข้กลุ่มนี้ยถึงเราจะบอกเขายัางไงว่าให้เขาให้เขารักษาใจเลยก็ทําไม่ได้แต่ว่าพขาให้ยาไปก่อนให้ยาไปก่อนนะครับเล็กสักพักหนึ่งเนี่ยให้เขาส่วนหมดเลยเขาจะเริ่มทาได้ ผมมีคำถามที่ผมสงสัยอยู่ม า, มาในเรื่องปฏิบัติธรรมอะครับว่าอันนี้เป็นโรคจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์คือเป็นโรคทางกายเพราะว่าสมองเราหลังสารผิดปกติ<ม>นะครับแต่ช่วงที่เขายังไม่สบายอยู่เนี่ยเ อ, อจิตใจเขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยครับก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าจริงๆมันคนเหล่าเนี้ยเป็นโรคถ้าให้มาถ้าเขาให้เขามานั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเขาจะทํา เขาจะทำได้ไหมครับถ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าไซด์ที่เขาไปนอกเนี่ยเพราะเขาขาดสติไงขาดสติไม่มีสติก็ควบคุมความคิดของเราเลยปล่อยความคิดก็เลยมาหลอกตัวเขาครับเราไอ้นั้นจะทําร้ายเราไอ้นี่จะทาร้ายเราอะไรไปเรื่อยๆครับคือช่วงที่ไม่สบายนี้ไม่มีทางทาได้นะครับอาจารย์แต่ว่าถ้อเกรักษาไปก่อนให้ยาไปก่อนให้ยาไปก่อนให้จิตสงบลงก่อนแล้วถอดให้เขาฝึกสมาธิครับอะไนั้นก็ยังพอมีโอกาสทําได้อยู่ คับเพราะวาตอนนั้นใจจิตใจเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอาจารย์อดิจิว่าอยู่ที่ว่าเขาสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าท่านเองครับที่เ<อ>ปฏิบัติได้คนธรรมดาอย่างพวกเราที่ไม่เป็นโลกภายโอกอย่างนี้ก็ยังยังปฏิบัติยานยากาานะครับอาจารย์เขาก็อยู่ที่ว่าเขาจะ<ร>จิตเขาจะนิ่งจะสงบแบบเป็นปกติได้นานสักเท่าไหร่เดี่ยเพรวพอเผลิสติปล่อยให้คิดเดี๋ยวว่าความคลัวก็จะกลับขึ้นมาใหม่อีกครับอาจารย์ ก็แสดงว่าถึงแม้เป็นโรคที่ทางการแพทย์หรือว่าเป็นโรคจากตรงสมองสารสื่อสมองเนี่ยใช่เรเป็นทั้โรคจิตมาจากทางจิตขาดสติทั้นั้นนะครับเป็นเพราะทางจิตนะครับอาจารย์ที่ผมประเด็นที่ผมจะเรียนถามอาจารย์นะครับแต่พอแต่พอเราให้ยาทางกายให้ยาให้ยาไปให้สมองเขาเขาหลังสารปกติเนี่ยทําไมพอสักพักหนึ่งเขาถึงอ่ะยังพอมีบางคนที่คุยกันรู้เรื่องขึ้นแล้วพอพอจะเริ่มทําได้บ้างครับก็เพราะว่ามันเป็นทกัด ทางได้ความคิดของเขาให้ให้หยุดคิดชั่วยคาวให้หยุดคิดชั่วคราวอือตัวยาไปทําอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ตัวยามันก็จะทําให้ความมีการรู้สึกสบายขึ้นไงทำให้สบายขึ้นมันก็เลยความเครียดมันก็จะลดน้อยลงควอะไรต่างสติมันก็จะกลับมาได้ชั่ ว, วคราวแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดเขาเขามีสติพอที่จะปฏิบัติได้ก็ได้ เขาก็จะมีสติยาวขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีสติยาวขึ้นยาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยยาครับอาจารย์ผมผมเข้าใจแล้วครับเพราะว่าช่วงนั้นถึงคือจริงมันเป็นโลกทางอยู่ที่ทางจิตใจทั้งหมดเลยครับทั้งหมดถ้าลอยู่ที่ตัวสติเนี่ยตัวสติถ้าขาดสติแล้วไปให้ใจคิดฟุ้งซ่านมันก็คิดเรื่องละคนที่ชอบกลัวมันก็จะคิดแต่เรื่องที่กลัวครับมันก็ยิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวใหญ่ครับนในในในที่สุดมันก็จะ ข้างได้มากข้างได้ครับทีนี้ตัวผมเองอครับอาจารย์ตอนเนี้มันถึงได้สงบได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆนะครับอืมตอนนี้ขั้นถัดไปคือทําให้ตรงความสงบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับก็คือต้องต้ อ, ตอให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นัางสมาธิให้บ่อยขึ้นครับบ่อยขึ้นมันก็มากขึ้นนะครับอาจารย์แล้วเวลาที่ไม่นั่งสมาธิก็ต้องพยายามดึงจิตอยา่าให้ไปคิดได้เปือ่อยครับ ให้อยู่กับพุทโธโทรโฆษาพุทโธไปทั้งวันใช่อาจารยครับดังนีต่อไปสติก็จะมีเพิ่มกำลังมากขึ้นครับครับแล้วถ้าความอยากไอ้ความบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของทางไอ้การมลมหรือเรื่องต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาใช้อสุภะหรือว่าใช้ยังไงครับอาจารย์่ถ้าถ้าเรามีความอยากร่วมเพศก็ต้องมองร่างกายของคนที่เราอยากร่วมเพศว่าเป็นซากศพนี้เราจะอยากจะร่วมเพศกับเขาอยู่หรือเปล่า ตับกับพระอาจารย์ต้องดูนะฮะดูอาการสัมผัสของเขาอยู่ภายดูอาการที่มีซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังว่าสวยงามไหมเขาก็ดูสวยงามไหมปลอดตับไตสวยงามไหมครับครับกลับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับขอบผมเถิดครัเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมารายงานต่อครับจ้าสาธุครับอาจารย์คุณอุษากันดิสยาเวลากล้จะหมดแล้วเอาเวลาสองนาทีก็แล้วกันนะ รอจนเข้ามาได้นะอดทนมากนะเนีน่ยมาสกลางค่ะผู้อาวุโสรอตั้งแต่ทุ่มทุ่มยี่สิบเนาะเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ก็เห็นกาเห็นเราเข้ามาบ่อยแล้วก็อะไรบอกให้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่การฟังก็ดีค่ะได้ข้อคิดได้ธรรมะเยอะอยู่ค่ะอืมคนที่เคยเข้ามาบ่อยๆบางทีอาจจะไม่ได้เข้ามาก็อย่าไปไม่เป็นไรค่นะไม่เป็น่โอกาสให้คนที่เขาไม่ค่อยได้เข้ามาให้เขาได้เข้ามาบ้างนะ ได้ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คำว่าคุณค่ะปฏิบัติอยู่พยายามอยู่ค่ะมีอะไรไหมเดี๋ยมไม่มีขนาคยาไม่เป็นไรคร่ะพักก่อนกันก็ได้ก็ได้อย่างไรถ้าอย่างทำมาแล้วก็พูดได้ถ้ามีคําถามอะไรก็พูดได้ไม่มีนะคะพระอาจารย์ไม่มีเลย ค่ะนวัต ก, กรร์ค่ะทำไมอายเลยบางคนจะกนก็ <laughs> จะฟังเราเลยเขาคิวเป็นธรรมทานก้นคำถามของเราก็เป็นอาจจะเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นด้วยคนอื่นก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าออถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้จะทำยังไงต่อไปค่ะพระอาจารย์คื อ, อที่ผ่านมาเคยเพิ่งมาเจอสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าเวลาที่เราพูดโทพูดโทไปค่ะ บางทีตอนพูดโทมันมันมีความมันเหมือนพูดโทแบบตั้งใจหรือมันมีความเครียดแฝงอยู่ในนั้นค่ะแล้วเพิ่งมาเจอว่าอ๋อมันมีอารมณ์แฝงอยู่แฝงอยู่ในนั้นนะคะเหมือนจะแบบพูดโทพูดโทพูดโทแต่ถ้าจริงๆหนูมาเจอว่าอ๋อจริงๆแบบเราเราแอบเราแอบเครียดหรือมีความมันมีบางอยางบางอยางให้อยู่กับพูดโทอยู่ในนั้นใช่ค่ะครับมันก็เลยเครียดเอแบบสบายสบายเลยอะพูดโทพูดโทไป อย่าไปอยากให้มันด้วยอย่าเผลอ ค, ความอยากไม่เผลอนี่มันก็จะทําให้เราเครีดขึ้นมาได้ค่ะเลยเลยเจอแบบนั้นค่ะพระอาจารย์เลยเลยเริ่มเห็นอารมณ์แต่ละขณะค่ะพอตอนพุทโทแบบพุโทโธสบายสบายแต่พอมันเริ่มมีความคิดแทรกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีมีความอยากอะไรสักอย่าง ทำให้ใจมันไม่มันแน่นมันไม่บริสุทธิ์ขึ้นมันมันขึ้นมาไม่ว่าจะเพราะอะไรสักอย่างอะค่ะพระอาจารย์สิเกตที่มันกระตุ้นก็เลยเริ่มเห็นแล้วมันทําให้แต่ละวันเริ่มรู้แล้วค่ะว่าแต่ละอย่างเราทุกเพราะอะไรตรงนี้เพราะเพราะอะไรเป็นตัวกระตุ้นค่ะแต่สุดท้ายก็คืออยากไม่อยากนั่นแหละค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องที่ผ่านมาเราเหมือนนกอ่ำท่องแบบนกแก้วนกขุนทองไปก่อนค่ะเวลาเดินก็พุทโธตาม ก็ฝึกมาตลอดนะคะพระอาจารย์แต่ว่าแบบพูดโทด้วยความอยากต้องตั้งใจนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอเห็นว่าเฮ้ยแต่ว่าอารมณ์นี้มันไม่ใช่ตอนที่เรานั่งสมาธิเรามันเจอกความสุขอะค่ะอืมก็พอพอเฮ้ยปุ๊บแล้วมันก็มันมันเริ่มมันเริ่มบางๆงลงก็เลยอ๋อน่าจะอันนี้นะอันนี้น่าจะใช่แล้วก็ลองจับดูค่ะก็เจอค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะเห็นง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเคดีอ่ะ ก็อสังเกตบางทีทำไปแล้วความอยากมันเข้ามามันก็จะทำให้เราเครียดอยากให้มันนน่งอยากให้มันไม่เผลออะไรพอแรืวอยากให้ไม่มีคาความคิดอะไรเข้ามาแทรกพอมันมีมันก็เลยทำให้เราเครียดขึ้นมายอยา่าไปสนใจเราควบคุมบังคับอะไรไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือพุโทโธก็อยู่พุโทโธพุโทโธไป พยาามนะว่าบางทีเนี๋ยวก็เผลอเดี๋ยก็เม้เมนอะไรนี่แทรกเข้ามาก็อย่าไปวิตกกังวลกับมันบ่อยมันแทรกเข้ามาแล้วก็พุโทโธเราต่อไปนย่าอย่าไปถูกอย่าไปให้มันกระชากเราไปคิดกับมันก็นแล้วกันหนึ่งขอโทษค่ะอาารย์หนูคิดตามไปแล้วค่ะว่าสมมติพ่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะแบบนี้ก็ใช้ปัญญาแก้ไปว่าอ๋อนี่มันเป็นเพราะความอยากเขาก็บางลงแต่บางเรื่องมันไม่ยอมบางให้เรามันไม่ยอมวางให้เราอาจารย์ อก็ได้ยินจากที่พระอาจารย์สอนออท่านในผู้เข้าในสลุ่มคนหนึ่งะค่ะว่าเวลาเขามาก็ให้รู้ว่าเขามาก็เมื่อกี้ค่ะแบบมันมีเริ่มเริ่มเครียดขึ้นมาไม่ว่าไม่แน่ใจเพาะอะไรแต่พอบอกอ๋พอพารู้ว่าเขามาก็มามันก็เริ่มวางไปคะปะ่ะก <นา S 1> ็น่าจะใช้หลายาวิธีแล้วก็อย่าไปสนใจเขาแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธต่อไปออย่าไปอย่าไปขำไล่สายส่งเหย่ยไปต้นลำ พิเฉยไปเขาจะมาก็มาก็จะไปก็ไปก็จะอยู่ก็อย ough> um, uh uh ู่แเราคุยโทรของเราต่อไปค่ะอาจารย์แล้วแล้วการใช้ปัญญาล่ะคะมันจะแบบว่าถ้าเอาไม่อยู่ค่อยลองใช้อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าก็มันก็เปทางหน้าต่างไยมันไปทางหน้าต่างล้วห้ามมันไม่ได้มันอยากจะมามันก็มามันอยากจะอยู่มันก็อยู่เข้าไปมันอยู่ไป เดี๋ยวเวลามันยากจะไปมันก็ไปของมันเองเราอย่าไปยุ่งกับมันได้เองแล้วกลับมาที่พุทโธพุทโธต่อที่เราไปเครียดว่าไม่อยากให้มันมาหรือพอมาแล้วอยากให้มันไปมันเลยเครียดมันยังไม่ไปค่ะใช่ค่ะเครียดตรงยังไม่ไปเอ๊มันเพราะอะไรถึงยังไม่ไปยังไม่ก็ก็เริ่มลงละแล้วก็อ่ะไม่เหนื่อยก็พุทโธต่อพุทโธก็หายค่ะพระจัดพระาัด สติแล้วน้อยมันเลยมาได้ถ้าเราอยากให้มีสติมากขึ้นเรากลับมาหาทิพุตโธเดี๋ยวสติก็มากขึ้นแล้วเดี๋ยมันก็ไม่มาเองมันก็หายไปเองค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ต่อสู้ค่ะอุตษาไม่มีอะไรเลยอุตษาหไม่มีค่ะพระอาจารย์โยก็ฟังฟังก็เอามาตอบโจทย์ได้หมดแล้วค่ะอาจารย์โอเคดีมาที่ท่านนี้กันนะเดี๋ยวไปที่คุณคุณลาต่อนมัสการค่ะพระอาจารย์คุณลามีดีคําถาม กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหําคำถามจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะว่าอะไรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ยาเสียสาวกำลังเป็นข่าวขอกราบสอบถามว่าถ้าคนปกติที่มีการฝึกสมาธิฝึกสติอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าโดนยานี้เข้าไปเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่ค่ะกอะอย่าไปถามเลยเพรา ะ, ะมันเป็น เป็นคำถามที่มันไม่มีใครรู้ได้นอกจากเฉพาะคนที่โดนเจอเหตุการณ์นั้นนนเองใช่ไหมเรามาพูดนะมานั่งคิดแล้ว่าเป็นจินตนาการแบบว่ามันน่าจะได้นะมันน่าจะไม่ได้นะเสียเวลาดูตัวคุณเองไว้ก็แล้วกันเวลาเจอยาอย่างนี้เข้ามาแล้วคุณจะทำยังไงสู้มันได้หรือเปล่าถ้าสติคนดีคุณก็สู้มันได้หรือถ้าปัญญาดีคิดถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆมันก็ มันก็ไม่สามารถที่จะมาปลูกอารมณ์ของเราได้ดังนั้นอย่าไปกังวลนะคือกังวลเฉพาะตัวเราอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นถ้าเราถ้าเราอยากจะมีภูมิคุ้มกันก็มีสติมีปัญญาไว้เยอะๆก็แล้วกันแล้วอะไรเข้ามามันก็จะไม่สามารถมันก็ตุน้นก็ตุ้นถ้าเราเกิดอารมณ์ได้คำถามต่อไป กรับนมัสการพระอาจารย์ค่ะมีทั้งหมดสามคำถามต่อเนื่องกันขอสอบถามและขอคำแนะนำเรื่องการนั่งสมาธิค่ะบางทีนั่งแบบไม่ดูลมแล้วบริกรรมคำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วทำแบบหลับๆตื่นๆค่ะก็เพราะว่าเราไม่ฝึกสติมาก่อนที่เราจะมานั่งเลยแล้วเราฝึกพุโทโธพุโทโธทั้งวันเลยแล้วเวลามานั่งมันก็จะไม่หลับนะ เพราะสติเรามีกําลังมากเพราะฉะนั้นพยายามฝึกสติเรื่อยๆไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือ ไ, ไม่นั่งสมาธิก็ต้องฝึกพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆก่อนแล้วพอมานั่งถ้ามีพุทธโธเยอะมันก็จะไม่หลับมันบางทีสุดลมหายใจเข้านึกคําว่าพุทสุดลมหายใจออกนึกคําว่าโธไม่มั่นใจว่าทําถูกหรือเปล่าคะ่ะก็ลองทําดูเสิถ้ามันสงบก็ถูกถ้ามันไม่สงบก็ยังไม่ถูกค่ะ บางทีสังเกตเห็นลมเฉยๆรู้สึกว่าลมผ่านทางรูจมูกซ้ายมากกว่ารูจมูกขวายังไม่สามารถตอบตัวเองว่าควรใช้การนั่งสมาธิแบบไหนส่วนใหญ่จะใช้วิธีบริกรรมเพราะรู้สึกว่าน่าจะง่ายดีค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ผลใดๆจากการนั่งสมาธิและไม่แน่ใจว่าควรทำแบบไหนคะ่ะกราบขอบพระคุณค่ะทำให้มากขึ้นแล้วก็ฝึกสติให้มากขึ้นสองอย่างนี้คำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามคะ่ะช่วงที่หลวงพ่อให้พรเมื่อจบการให้ธรรมะเราควรนิ่งฟังพรพระหรืออุทิศบุญคะ่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็ อุทิศบุญเวลาไหนก็ได้เวลาพระให้พรแล้วก็รับฟังรับพรไปก่อนรับพรเสร็จแล้วพระให้พรเสร็จแล้วเราค่อยมาอุทิศบุญทีหลังก็ได้แต่เขามีสูตรว่าช่วงครึ่งแรกของการให้พรนี่เป็นช่วงให้อุทิศบุญช่วงเวลาที่พระว่ายาถาสัพพีองค์เดียวเนี่ยเป็นช่วงที่ให้เรากดน้ําแล้วพอพระท่านทั้งหมดเลิบเริ่มสวดสัพพีแสดงว่าท่านให้พรแล้วเราก็หยุดการการกดน้ําไป อันนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมความจริงแล้วการกดน้ำเนี่ยสาาเราทำได้พอเราทาบุญเสร็จปั๊บเราก็อุทิศได้เลยไม่ต้องรอมาให้พระสวดสวดให้เราคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ